ในวันนี้ก็จะได้กล่าวในพระธรรมคาสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่จะลำดับในเรื่องของการสาธยายในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ก่อนที่จะลำดับนะในการที่จะสาธยายในคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยก็ต้องศึกษาว่าในพระสูตรต่างๆในพระธรรมคาสอนต่างๆที่พระบรมศาสดาทรงสแสดงเนี่ย คือว่าในด้านของท่านพระอรกากถาจารย์เวลาท่านจะกล่าวพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จะขยายความตามพระพุทธพจน์ท่านพูดถึงในเรื่องของคําว่าอส า, าธารณาสูตรฐานกล่าวถึงสาเหตุในการแสดงพระสูตรโดยเฉพาะด้วยคําว่าพระผู้มีภาคเจ้าทรงแสดงพระสูตรต่างๆนี่นะ จะแบ่งเป็นสาธารณะสมุทฐานแล้วก็อาศัทรณะสมุทฐานคําว่าสมุทฐานเนี่ยเขแปลว่าเหตุเหตุแห่งการแสดงธรรมนะสาเหตุแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าในเหตุแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดาเนี่ยมีอยู่สองประการคือสาธารณะสมุทฐานก็ค <Flow> ือสาเหตุแห่งการแสดงพระธรรมเทศนาโดยทั <sait> ่วทั่วไป แล้วก็อาสาธารณาสมูฐานก็คือสาเหตุใงการแสดงพระธรรมเลสนาสูตรนั้นๆโดยเฉพาะที่นี้ในบรรดาทั้งสาธารณะและอาสาธารณะนั้นท่าน ก, มาก็มาแยกแยกว่าถ้าสาธารณาสมูฐานนี่นะเหตุใงการแสดงธรรมโดยทั่วๆไปท่านก็มาแยกเป็นสองประการเป็นอัจฉติกะสาธารณาสมูฐานอันนั้นแปลว่าสมูฐานภายใน และกพาหิระสาธารณสมุทรฐานเนี่ยนะอันนั้นแปลว่าสมุทสมุทฐานที่อยู่ภายนอกฉะนั้นในบรรดาสาธารณสมุทรฐานสองประการนั้นก็คือสาธารณะที่เป็นอัจฉติยะสมุทรฐานก็หมายถึงว่าพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาคือพระพุทธดำ ร, ร, ริในการจักสแสดงธรรมเทศนาโปรดเวนัยสัตว์ได้บังเกิดขึ้นในพระอาไทยของพระผู้มีภาคเจ้า ซึ่งเกิดขึ้นมาด้วยการกระตุ้นเตือนจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมศาสดาเนาะให้สังเกตดูนะว่าบารมีทั้ง10มีทานบารมีศีลบารมีเนคขมารบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีแล้วก็อุเบกขาบารมีเนี่ยในบรรดาบารมีทั้ง10ประการอุปบารมีอีกสิปรมัทบารมีสิบเนี่ย ไม่มีคําว่ากรุณาบรารมีแต่ว่าในบรรดาบรารมีทั้ง30ทัศน์นั้นนะ่ะมีมหากรุณาเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเตือนทั้งหมดเลยคือมีมหากรุณาที่คุณและปัญญาคุณทั้งสองประการนี้เป็นตัวกระตุ้นเตือนบรารมีของพระองค์ทั้ง30ประการทีนี้ในบรรดาบรารมีต่างๆเหล่านั้นนะ ในบรรดาบรารมีต่างๆเหล่านั้นเน่เป็นตัวกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนกระตุ้นเตือนอะไรคือกระตุ้นเตือนว่าพระองค์จะผูกใช้ปัญญาของพระองค์ใช้มหากรุณาของพระองค์ในนะในการที่จะผูกบรารมีทั้ง1ิประการอุปบา ร, รมีสิบแล้วก็รบรมิธบารมีสิบเข้าไว้ในตนเข้าไว้ในหาไทยของของของท่านตอนที่ท่านเป็นพระโหธิสัตว์เนะี่ย นอกจากจะผูกบารมีทั้งสาสิบทัศน์ไว้ในหาไทยในจิตใจของท่านแล้วยังไม่พอเนาะท่านก็ยังผูกสัตว์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายที่ในสามภพในกาเมภพรูปภพแล้วก็ในรูปภพไว้ในตนด้วยแปลว่าผูกบารมีไว้ในตนแล้วยังไม่พอยังต้องผูกสัตว์ไว้ในตนด้วยนั้นคือพระหาไทยหรือจิตใจของพระผู้มีพระยา่าตอนเป็นพระโพธิสัตว์ ถ้าไม่ผูกเขาไว้เนี่ยถามว่าทําทำทำไมเราท่านทั้งหลายก็เคยเกิดมีลูกมีหลานมีครอบครัวกั น, นแล้วก็รู้ว่าการงานทุกอย่างเนี่ยเราทำเนี่ยเราผูกลูกไว้เรามีความกรุณาเรามีความเมตตาต่างๆในลูกเรามีปัญญาในการประกอบอาชีพการงานเนี่ยที่เราทำเหน็ดเหนื่อยแสนสาหัสเนี่ยเราผูกลูกผูกหลานเขาไว้เนี่ยผูกญาติมิตรเขาไว้ในตนเนี่ยใช่ไม่ใช่ นั่นแหละคือกรุณาของเราในอะไรที่ผูกท่านเหล่านั้นไว้ในตนแล้วเราก็เพียนอุตสาหะพยายามในการทำมาหากินเนี่ยในการประกอบการงานต่างๆเนี่ยอันนั้นเขาเรียกว่าเรานั่นก็มีกรุณาไม่ใช่ไม่มีแต่ว่ามันมีจํากัดเฉพาะบุตรหลานญาติมิตรแต่พระโพธิสัตว์ไม่ใช่อย่างนั้น ถ้าโ พ, พธิสัตว์นั้นน่ะนอกจากจะผูกบรารมีทั้งสิบอุปปาลมีสิบแล้วก็ป ร, ม า, รามัทธบารมีสิบไว้ในตนไว้ในฮาไทยของท่านแล้วเนี่ยท่านก็ผูกสัตว์อื่นและในบรรดาสัตว์อื่นในที่นั้นก็คือเราเนี่ยแหละที่มานั่งกันอยู่นี่แหละพระองค์ก็ผูกพวกเราทั้งทั้งหลายเนี่ยไว้ในในท่านด้วยว่าไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นเนคขมาเป็นปัญญาเป็นเวรยิยะเป็นต้นเหล่านั้นน่ะเพื่อใครใช่ไหม เพื่อในการที่จะขนสัตว์เพื่อในการที่จะเอาพระธรรมนั้นฉโลมจิตใจสัตว์โลกให้สัตว์โลกนั้นได้รับปลาโมดปีติประสิทธิและความสุขได้สมาธิได้ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างที่พระองค์รู้อย่างนี้เป็นต้นลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าหาไทยเนี่ยหาไทยของพระองค์ผูกสัตว์ไว้เกิดขึ้นจากการแรงกระตุ้นเตือนของหมหากรุณาที่คุณ ที่เห็นคนอื่นแล้วมันทนไม่ได้ใช่มหลายหลายคนเนี่ยมับอกว่าเอ้อเราหนาวเนี่ยโดยมากเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นว่าเขาหนาวนะเราหิวอยู่เรากินดีอยู่ดีเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นว่าเขาไม่มีจะกินเนี่ยเราอยู่ที่สบายๆเนี่ยบางทีเราไม่ได้คิดถึงคนอื่นว่าเขากาลังเดือดร้อนกันแค่ไหนอย่างไรเป็นต้นแต่น้ําใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยของพระบรมศาสดาไม่ใช่อย่างนั้น พระองค์บอกว่านี่ไงสตว์โลกทั้งหลายที่ยังเต็มไปด้วยห่วงมหันโนบคือความทุกข์ทั้งหลายนี่นะที่ต้องดิ้นรนไปในกันดารกล่าวคือพบทั้งหลายนี่นะพระองค์ก็เจ็บปวดเจ็บปวดในที่นั้นก็คือจิตใจของพระองค์น่ยทนไม่ได้เขาเรียกว่ามันกระเทือนมันสะดุง้งกระเทือนในที่นั้นหมายความว่าทนอยู่ไม่ได้ในการที่ถ้าตนเองจะตัดสู้เนี่ยปติญญาในใจก็เกิดขึ้นมาว่าเราจะทําให้บุคคลอื่นตัดสู้ด้วย ถ้าเราข้ามสังสารวัตรได้จกให้คนอื่นข้ามด้วยเนี่ยถ้าเราพ้นแล้วจะให้คนอื่นพ้นด้วยเป็นต้นนี่เขาเรียกว่าเป็ น, เ ป, น, นเป็นภายในเป็นภายในนะต้องดูแล้วเดินเปนะเป็นภายในว่าพาําริในการแสดงธรรมเทศนาแก่เหล่าเวนัยสัตว์ ได้บังเกิดขึ้นแล้วในภาคไทยของพระผู้มีพระภาคซึ่งเกิดขึ้นโดยการกระตุ้นเตือนจากมหากรุณาที่คุณนั่นแหละสมดังที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงแลดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักสุเพราะทรงมีผ้ามหากรุณาที่คุณต่อเวเนยสัตว์คือพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจะตรวจดูกลุ่มเวเนยชนเนาะ เวนายสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้แม้แต่การเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเชื่อไหมพระองค์ก็จะตรวจดูแม้แต่เราท่านทั้งหลายเนี่ยกระแสะของรูปนามขันห้าของสัตว์ทั้งหลายแม้ของเราทั้งหลายเนี่ยที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเคยเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาบ้างไหมเนะีเคยทําบุญมาบ้างไหมเคยตั้งอัธยาศัยในการเจรแทงตลอดไหมและบรารมีในการสั่งสมมานั้นเหมาะแค่การที่จะตัดสรุปนะช่วงนี้หรือจกไม่ตัดสรุป ถ้าไม่ตัดสู้เออควรจะได้อริยทรัพย์อะไรควรจะได้สรณะพระองค์ก็ให้สรณะควรจะได้ศีลพระองค์ก็ให้ศีลเนี่ยควรจะได้ในด้านของปราโมดปีติปสัสสธิความสุขสมาธิพระองค์ก็ให้ตามระดับนั้นๆควรจะได้ปัญญาระดับไหนพระองค์ก็ให้อย่างนี้เป็นต้นแม้สมควรจะได้เป็นพระโสดาบันพระองค์ก็ให้เป็นพระโสดาบันสมควรจะเป็นพระสกาทาค า, านาคาหรือเป็นพระอรหันเนี่ยพระองค์ก็ทรง ให้ตามอัธยาศัยที่ควรจะได้แต่ถ้าไม่เคยสร้างเหตุปัจจัยมาเลยเนี่ยพระ อ, องค์ก็จะต้องดูต่อไปด้วยนะว่าท่านเหล่านี้อ่ะพอจะมีอุปนิสัยในขนาดในโน้อแลเนี่ยหลังจากเราตถาคตปรินิพานไปแล้วท่านเหล่านี้จะได้ศึกษาระธรรมท่านก็วางหลักวางแบบแผนแผนไว้ให้เป็นต้นนั่นคือพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงผูกสัตว์ไว้ในตนหลังจากที่ตนเองผูกบารมีไว้ในตนแล้ว คนจักทําบา ร, รมีได้บริบูรณ์จนถึงเป็นพุทธเจ้านั้นจะต้องบา ร, รมีทุกข้อต้องผูกไว้ในใจใช่ไหมเหมือนคนบางคนที่บอกว่าต้องทําให้ลูกสําเร็จก็ผูกลูกไว้เมื่อลูกสําเร็จแล้วก็ปล่อยความรู้สึกแล้วว่าเราทําหน้าที่ของเราสําเร็จแล้วเป็นต้นพระผู้มีภาคเจ้ า, จาตอนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็ผูกใช่ไหมท่านก็ผูกไว้แต่พอท่านตรัสรู้เป็นพทะเจ้าแล้วท่านก็ยังผูกอยู่ แต่ท่านไม่ได้ผูกแบบปุถุชนผูกท่านไม่ได้ผูกด้วยตันหามานะที่ตีผูกอย่างเราท่านทั้งหลายใช่ไหมาแต่ท่านผูกไว้ด้วยปัญญาด้วยกรุณานี่นะถ้าเข้าใจายอย่างนี้เราจะเห็นโอ้เนี่ยพระบรมศาสดาทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเป็นไปในลักษณะอย่างนี้อันนั้นในส่วนของสาธารณะอัจฉติการสมุทฐานเป็นสมุทฐานที่เกิดขึ้นภายในโดยทั่วๆไปเนี่ยนะ อันนี้เราก็จะได้เห็นคุณของพระบรมศาสดาใช่ไหมไอ้ตรงนี้ถ้าเวลาเจริญพุทธคุณจะได้ชัดถ้าอย่างนั้นเวลาตรึกหรือใครควรเจริญพุทธคุณก็เจริญไม่ออกเนี่ยนะประการต่อมาคือภพยร่าสมุทฐานก็คือภพยร่าสาธารณสมุทฐานหมายถึงหมายถึงอะไรท่านนับจากในคัมภีร์สายนอกบ้างหรือคัมภีร์ชั้นดีกาต่างๆเป็นต้นบ้างหรืออัตถกถา สายนอกสายในตา่างๆคำว่ายี่สิบอสง์ขายยิ่งด้วยแสนกลับเย้ไหมยี่สิบอสง์ขายยิ่งด้วยแสนกลับเนี่ยถ้าถามว่าเหตุการณ์หรือว่าปัจจัยที่ทำให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีเยอะมากปัจจัยภายนอกถ้าในชั้นของคำพีสัมภะวิบากก็ดีในชั้นของคำพีโสทาตกีมหานิทานวินต้นนี่นะ หรือในคัมภีร์ของนาถะมุนีทีปณีเป็นไปเลยทีปณีเป็นต้นเนี่ยในคัมภีร์ต่างๆเหล่าเนี่ยนะถ้าไปตรวจสอบดูเนี่ยก็จะเห็นบอกว่าเออพระโพธิสัตว์เนี่ยก่อนที่ท่านจะได้เป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยได้รับแรงกระตุ้นอย่างพรมชั้นนาคาตอนนั้นท่านตรวจดูว่าโ อ, อ้ในสุดท้าวาดนี่หลงเหลืงมากแปลว่าผ้านาคาร่อยหรอ ไม่ค่อยมีผ้านาคาไปอุบัติเกิดขึ้นมาเพราะไม่มีพระทีเจ้ามาตรัสรู้ถ้าไม่มีพระทีเจ้าตรัสรู้ก็แปลว่าในสุดท่าวาสพลมสัตว์โลกที่ไปเกิดอยู่ในบนนั้นก็คือผ้านาคาใช่ไหมแล้วก็ไปเป็นผ้าทหารกันอยู่บนนั้นพอเป็นผ้าทหารเบสเสร็จบางท่านก็ท่านก็ปรินิพานในช่วงระหว่างอายุช่วงไหนอย่างไรของท่านนะท่านเบื่องท่านน่งท่านก็ปรินิพานหนีไปเรื่อยใช่ไหมหลังจากเป็นพผ้าทหารแล้วเนี่ยอันก็น้อยลงน้อยลงใช่ไหมใช่ ไอที่ไปเกิดใหม่ไม่มีประชากร น, น้อยพระประชากรในสุทาวาสน้อยพอน้อยขึ้นมาเริ่มเดือดร้อนเดือดร้อนก็เริ่มดูลงมาแล้วยี่ใครน้อยจะเป็นบุรุษใจเพชรตรวจดูหมดเลยในสังสารวัฏเนี่ยดูหมดเลยไม่มีพวกเราอยู่เลยในนั้นที่จะเป็นบุรุษใจเพชรเนี่ยคือไม่กล้าคิดจะเป็นพระเจ้ากันเนะนี่ยนึกได้แต่คิ ด, นะคดเนี่ยคิดแต่ว่าประเภทที่ ถ้าจำนวนแถวบ้านอนาดมะก็เรียกเหยียบขี้ไก่ไม่พ <c> อ <ười> เคยได้ยินศัพท์นี้ไหม <c ười> เขาบอกว่าเนี่ยต่อไปเขาจะต้องเป็นใหญ่เป็นโตให้ได้ก็เองอย่างเองนี่ยเหยียบขี้ไก่ไม่พอพรหมมันก็คงจะมองเนี่ยไหมพรหมเขาท่านก็คงจะมองบุคคลที่ได้แต่ปรารถนาแต่ความตั้งใจเบาๆก็คงจะบระเวศทีนี้แต่อย่างเราใช่ไหมเออแต่อย่างพระมหาบุรุษนี่ไม่อย่างนั้นเลยพมเลือกเฟ้นเลยโอ้โหเนี่ย ท่านวันนี้ได้แน่นอนท่านก็กระตุ้นความรู้สึกกระตุ้นความรู้สึกเออพรมเนี่ยนะเขาสามารถกระตุ้นความรู้สึกได้ถ้าอย่างมากระตุ้นพวกเรากระตุ้นหลายร้อยลอกก็ไม่ขึ้นใช่ไหมขึ้นแล้ว่ไม่ขึ้นเลยพอกระตุ้นไว้ตั้งนานแล้วกระตุ้นโยงความคิดมาหลายปีแล้วยังสวนยังงามอยู่แล้ว กระต้นมาไลายสิบรอบเดี๋ยวลองใหม่เดีย๋ยวพิ่งทอ้อแสดงบุญคนกระตุนน้นน้อยร้อยบุญคนกระตุ้นมากมาเลายแต่เนี้ยโหขึ้นปุ๊บเลยทีนี้ตรงนี้แต่จริงๆตรงนี้เราไม่รู้ไงบางคนน่ะใจเขารักใช่ไหมปรารถนาแต่ยังไม่มีโอกาสท่านก็ยังไม่เฟ้นใช่ไม่ใช่อันนั้นก็จัดว่าได้นะจุดนี้อันนว่าอจุดนี้ยอาจารย์จัดเองนะ คำนวณจากการอาราธนาของพรหมในปัจจุบันพบเนี่ยเพราะท่านในชั้นของคัมภีทั้งหลายในชั้นของดีกาเนี่ยนะดีกาเท่าที่พบนี่นะท่านบอกว่าภายราสาธรารณสมุทฐานหมายถึงสมุทฐานภายนอกก็หมายถึงพรหมทูลาราธนาแต่อาจารย์นึกต้องมากกว่า น, นั้น ต, นตนามธรรมดาเนี่อาจารย์บางคนคิดมาก เพราะว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์ภายนอกมีเยอะแล้วก็ไม่ไดผิดไม่ได้ขัดด้วยก็หมายความบอกว่าท <c oughs> ่านในชั้นของคัมพีต่างๆก็บอกว่าพรหมกระตุ้นเดือดจิตใจตอนที่ท่านแบกมารดาข้ามาหาสมุทรที่เป็นมารนพนมใช่ไหมแบกมารดาใช่ไหมภาพในเนี่ยสัมภาระวิบกากเนี่ยภาพนี้ใช่ไหมภาพนี้นี่เนี่นยภาพนี้เนี่ยแบก แบกแม่ตอนสาเภาล่มแล้วก็ข้ามมหาสมุทรแล้วท่านก็มีความรู้สึกว่าท่านตายไม่ได้ต้องเอาแม่รอดให้ได้ท่านไม่เคยคำนึงเลยว่าฝั่งมันจะไกลแค่ไหนอย่างไรที่ท่านว่ายนี่นะท่านคิดอย่างเดียวว่าจะต้องให้แม่รอดให้มารดารอดให้ได้ที่นี้ที่นี้ด้วยความคิดเนี่ยนะด้วยความคิดของท่านเนี่ยทำให้ท่านมีความรู้สึกว่าไม่ได้ต้องต้องให้แม่รอด พรมก็เห็นช่วงนั้นพอดีไหมพรมที่เป็นบ้านอาคาเนี่ยพอเหตุอย่างอย่างงั้นเบดเส็จพรมก็เลยนี่แหละได้แล้วก็กระตุ้นเตือนพอกระตุ้นเตือน เ, อนเบีดเสร็จปุ๊บเนี่ยในที่สุดจริงๆท่านก็ข้ามได้แล้วก็ในที่สุดจริงๆตรงนั้นเลยก็เลยกระตุ้นความรู้สึกในการปรารถนาคำว่าโพธิญาณขึ้นมานี้นี่คือเป็นเหตุภายนอกเหมือนกันแล้วก็มาอีกเยอะนะเหตุภายนอกต่างๆ ถ้าเราจะดูเหตุภายนอกอีกเยอะก็คือว่าตอนที่ได้รับพุทธบยยัญญัติจากพระพุทธเจ้าก็จะว่าเป็นเหตุภายนอกใช่ไหมแรงแรงก็เพิ่มในใจของท่านยิ่งสูงมหมยิ่งสูงเมื่อพระพุทธเจ้าพยายกรณ์เบียเศแล้วต่อมาเทวดามารพรมทั้งหลายเนี่นะมนุษย์ทั้งหลายก็พากันบูชาแล้วก็พูดเลยว่าท่านได้แน่นอนนะความคิดของท่านท่านก็โอ้โหตอนนี้ท่านได้แล้วท่านมั่นใจสูงสุดเลยเสียสงขายายิ่งด้วยแสนกับความมั่นใจสูงมาก เนี่ยใครจะลองทดลองนี่ไปอีกเท่าไหร่เนี่ยขาลงนะตอนเนี้ลงลงลงลงสิบร้อยปีลงหนึ่งนะร้อยปีลดหนึ่งร้อยปีลดหนึ่งใช่ไหมถึงสิบแล้วต่อมาจะเริ่มทยานขึ้นอายุของมนุษย์นี่นะร้อยปีก็ขึ้นอีกหนึ่งรอยปีก็ขึ้นอีกหนึ่งนี่นะไปจนถึงอสงไขยปีของมนุษย์โหนับไม่ได้เลยเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสิบตัวนี่นะอายุของสักรโลกนี่ยนะโหช่วงนั้นนอะมนุษย์เริ่มประมาทขึ้นอีกแล้วนะข้าก็เริ่ม เริ่มจะเริ่มประมาทมัวเมาก็อายุก็เริ่มลดร้อยปีลดหนึ่งร้อยปีลดหนึ่งมาจากที่คำนวณไม่ได้นะจากหนึ่งตามเลขศูนย์ร้อยสี่สิตัวอายุของมนุษย์เนี่ยนะจนลดเหลือแปดหมื่นปีช่วงนั้นน่ะพระศรียะเมตย์มาตรตรุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตถ้าเราตั้งตอนนี้ไว้หน้าจะพอทันทันมั้งบอกว่าคอยได้รับพยากร์จุดใดจุดหนึ่งจากต่อนหน้าพระภาคของพระผู้มีพระเจ้าน้ำพระศรียะเมตย ปัญาานาเป็นอะไรก็ว่ากันไหม <c oughs> บางคนก็ปัญาานาไปฟังทำจากท่านแล้วบรรลุเนาะบางคนก็ปาถนาอย่างนั้น <c oughs> ลองดูไหมปาถนาเอาสักมากก็ดีนะหรือจะเอาเอ า, เอาช่วงนี้เอาช่วงสองพันกว่าปีนี้นะก็ก็ก็กลับมาใครครวรหมือ <c> น <oughs> ไม่ได้ดับ้นะก็ก็ให้เข้าใจอย่างนี้นะว่านั่นคือจัดเป็นพาหิระสาธารณาสมุทรฐานหมายถึงธรรมราชนาของท้ามหาพรหมนะถ้าดูในปัจจุบันนะพรเนะี่ยคือสามบดีพรมผู้มีมหาพรหมมื่นองค์เป็นบริวารท้ามหาพรหมนี้ ช, ชื่อว่าสามบดีพรม แต่ก่อนเป็นพระในสมัยผู้ได้เจ้าองค์ก่อนต่อมาก็ได้บระถมแม่ชานึ่งอย่างไรเนี่ ย, ยแล้วก็ไปเกิดเป็นพรหมชื่อสหากาภิกขุกเนี่ยนก็เลยได้ในนี้นพรหมท่านเนี้ยมาราธนาพระบรมศาสดาเนี่ยอันนี้เป็นคําที่เราศึกษากันมาบเบสเซ็จลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเหตุการณ์ภายนอกนะพระพุทธมีพระเจ้า ทรงระ ง, งับความเมือนเฉยต่อการที่จะแสดงธรรมซึ่งมีสาเหตุจากการที่พิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งนะว่าขันธ์อยธายตนะทั้งหลายเนี่ยลึกซึ้งโดยอัดลึกซึ้งมากถ้าจะแสดงปฏิจจสมบัติให้สัตว์ได้ฟังเนี่ยโอ้โหลองคิดดูนะเช่นจะแสดงว่าอวิชชาสังขารวิญ ญ, ญาณ น, นามรูปสรายตนะภาษาเวทนาตัหาปาทานภาวะชาติชรามรณะเนี่ยถ้าจะแสดงอย่างนี้ สัตว์โลกจะเข้าใจยังไงถ้าจะแสดงบอกรูปอาขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไอสัตว์โลกจะเข้าใจไหมถ้าจะบอกว่าจักขวายัตนารูปายัตนาโสตายัตนาสัทายัตนาคานายัตนะคันทายัตนาราสายัตนาโพตอชิวหายัตนะกายายัตนะโพตพายัตนามันายัตนะแล้วก็ธรรมายัตนะในสัตว์โลกจะเข้าใจยังไงใช่ไหมลึกนะอัดก็ลึกทั้งอัดฐาก็ลึกทั้ง ธรรมะก็ลึกลึกโดยอัดลึกโดยทำรรทีนี้ผู้ได้เจ้าก็โอ้โหอัจยาสัยของสัตว์โลกเนี่ยติดแน่นในวัตถุกรรมแต่จะกระชากหรือสอนให้สัตว์ทั้งหลายนะั้นหลุดออกจากวัตถุกรรมนั้นนะ่ะมายินดีในพระธรรมคําสอนเพื่อจะหลุดพ้ น, น ย, ยากมากใช่ไหมเพราะสัตว์ที่นั่งๆกันอยู่โดยทั่วๆไปก็เป็นผู้เพลิดเพลินทั้งนะั้นใช่ไหมจ้ะ ย, ยินดีในทุกชื่นชมทุกสรรเสริญทุก ก, กันทั้งนะั้นอาถามว่ามีใครบ้างอะไปเห็นว่า นี้ทุกอะถ้าถามบอกว่าตอนยอมมาเรียตอนลูกอยู่ในท้องเคยบอกนี้ทุกไหมเคยเขา้าใจโอ้โหก้อนทุกโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมใช่ไหมวันนี้ทุกเนี่ย โ, โหชาติทุกชาลาทุกมรณะทุกเนี่ยสโสกาบริเดวะทุกโทมนะสัอุปายาไอ้ทุกสิบสองกองบวกสิบสามคืออุปาทานขันห้ามเพิ่มมาอยู่ในท้องกองข้าวยาวเนี่ย ข้าวเจ้าแบกห้าก็ต้องรับอีกห้าแล้วใช่ไหมมันจะเจ็บปวดสักปันใดาการที่มันทุกในลักษณะอย่างเนี้ยแล้วจะเป็นที่ตั้งของความโศกความร่ําไรลําบันความไม่สบายกายความไม่สบายจะแค่ไหนถ้าเราเกี่ยวข้องกับขันนี้แล้วเราจะเจ็บปวดักเท่าไรเนี่ยเราจะได้บาปเท่าไรเนาะเราจะบ่นกี่ครั้งเนี่ยนะทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เราจะต้องเกี่ยวข้องกับขันเนี้ยกว่าเขาจะโตขึ้นมาเนี่ยเราจะทํำยังไงเนี่ย เคยนั่งเหี้ยโอ้โหพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกข์ที่ทุกข์จริงๆพอแล้วที่จะเบื่อหน่ายพอแล้วที่จะคลายกําหนัดอ่าเดี๋ยวมีอีกคนแหละ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไม่ใช่เราไม่เห็นทุกข์เลยอ่ะเพราะสัตว์โลกชื่นชมทุกข์กินดีในทุกข์ใช่มไหมกอเป็นอย่างนั้นจริงๆพอเห็นเด็กๆหน่อยยิ่งพอโยมากแล้วยิชนารักเขาทุกข์ใช่ไหมเด็กเล็กๆเนี่ย บางคนเห็นไม่ได้เลยนะเห็นโอ้โหน้ารักบางทีลืมเนื้อลืมตัวเลยเวลาเขาร้องอะ่ะมันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ไงนี่บ่งบอกว่าสัตว์นั้นเป็นผู้ที่ติดแน่นในทุกจริงๆแล้วก็ชื่นชมชื่นชมทุกชื่นชมทุกนี่คือชื่นชมขันห้าเนะี่ยชื่นชมขันห้าแล้วไม่เคยคิดอยากออกจากขันห้ามีใครอยากจะวิ่งออกจากตาหูอย่บุกลิ้นกายใหจริงๆไหมบอกเบื่อเลยเกินไปไหนลุงหลังหมด มันตามเราตลอดเลยเราหนีไม่ได้แก่ก็ไม่หลุดน่ะไปพบไหนก็ไปเจอไอ้ตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเจอคอกคอกนี้ไปเจอคุกคุกนี้ยไปเจอบ้านบ้านนี้ยไปที่ไหนก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ต้องไปดูแลผมขนเล็บฟันหนังยิ่งหนาลงังคาตายเลยใช่ไหมเพราะถามาตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอายุ80กว่าขวบแล้วตัดผมมากี่ครั้งจาไม่ได้เลยใช่ไหมสระผมมากี่ครั้งแล้วสระหัวมากี่ครั้งเนี่ยนะมองดูงนะัแค่ผมอย่างเดียวก็จะทุกข์ตายอยู่แล้วใช่ไหม ซาไปซามาเนี่ยมันเรารักมันแทบตายมันเคยรักเราไหมไม่เคยรักเราเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเริ่มหนีเราแล้วมันหนีหายไปหมดแล้วว่างตอนนี้ยช่ไมจช่เนี่ยเรารักเขาแทบแย่ธนุถนอมก็แทบแย่นะเนี่ยตั้งแต่ผมคนเล็บฟันไปเนี่ยแต่เขาไม่เคยรักเราเลยผิดหวังเนี่ยไปไปรักสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกวันเป็นทุกข์ ใช่ไหมไปยึดติดในสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปสมาทานอยู่ได้ใช่ไหมในตัวจริงๆแล้วมันเชื่อฟังที่ไหนล่ะมันก็ค่อยทยอยทยอยมันโบกมือลาเลยบอมันขอลาแล้วขอลาแล้วไปเยอะแยะหมดแล้วเนาะแล้วก็อ้อนวอนเข้าอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอขอสักร้อยขอสักร้อยไอ้ร้อยนื้ใจไม่ดีนะที่จริงโดยหลักการจริงๆ่ะ เป็นนั่งรุ้นเนี่ยถึงไม่ถึงถึ ง, ถงนั่งนับวันแล้วใช่ไหมบางทีตื่นขึ้นเออยังมีชีวิตอยู่เฮ้ยมางทีก็เท้าไว่จะอยู่อีกนานไหมบอกคนอื่นว่านานแต่ใครเท้า ม, มาจะทำญ า, า น, นบอกไ ม, ไม่ไว้ใจเลยผ่านในวันนึงก็นับบุญแล้วแสดงว่าโอ้โหรอดมไม่ได้ได้มีโอกาสทําบุญไปวันเดียวเองเนี่ยแล้ววันต่อไปไม่รู้จะได้ถึงครึ่ ง, งวันหรือเปล่าคิดอย่างนี้จริงตอนเนี้นะ เล่งใหญ่แล้วตอนนี้เพราะว่าหวาดเสียวจริงอ่ะใะ่ไหมชีวิตในหน้าหวาดเสียวมากเนี่ยไอความตายก็บีบทุกจุดชะลาก็บีบอยู่แล้วอชะลาไม่กลัวแล้วตอนนี้มรณะนี่เพราะมันชะลาไปแล้วชะลาไม่กลัวแล้วมรณะนี่สิคือที่กลัวคืออะไรรู้ไหมแต่ไม่ใช่กลัวแบบโทรศัพท์นะกลัวในร่างนะว่าที บารมีทั้งหลายกุศลทั้งหลายหรือว่าสิกขาสามทั้งหลายที่เรากําลังเดินอยู่นเนี่ยเนี่ยเราจะเดินให้มันเอาจริงเอาจาังหรือว่าให้มันคล่องแคล่วมากกว่านี้ยมองเห็นไหมตรงนี้ต่างหากที่นี่นอนก็ต้องกะเวลาไว้แล้วนอนมากไม่ได้แล้วตามใจมันมากกว่าเยอะตามใจมาเยอะและ้วเนี่ยนะก็ก็กาหนดระยะไปอันนี้ไม่ไม่ไม่ได้จดลิขสิทธิ์วิธีคิดเออเนี่ระยะไปเขียบ้าง ตรงนี้ก็คือว่าผ้ามหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพภาคเจ้านี่นะที่เป็นไปในส่วนของว่าพระองค์ทรงระงับความเมินเฉยที่ทรงจกไม่แสดงธรรมซึ่งมีเหตุจากการพิจารณาธรรมที่ลึกซึ้งก่อนหน้าที่จะได้รับการอาราธนาเนี่ยก็ทรงมีอุตสาหะเพื่อที่จะแสดงธรรมเทศนาต่อไปนะทีนี้อันหนึ่งผ้ามหากรุณาธิคุณของพระผู้มีพรภาคเนี่ยจัดอยู่เป็นอัจฉติยะสาธารณสมุทฐานเช่นไรแม้คุณธรรมนะ คุณธรรมก็คือทศพลยานเนี่ยก็จัดเป็นอัจชฉชติกาสาธารณสมุทรฐานในการแสดงธรรมเช่นเดียวกันเนาะเวลาพระรมศาสดาทรงแสดงธรรมเนี่ยพระองค์ก็จะมีอะไรนะคุณธรรมที่ได้มาพ่วงมาจากการได้ตัดสู้นุตระสมาสัมบริยาณเนี่ยก็คือทศพลยานสิบนะทศพลยานสิบในใน ทศพลยานสิบของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นนี่ยได้มาจากหลังจากที่ได้ตัดสรู้ว์เป็นพระพุทธเจ้านะคืออาราธมกถาถผลเกิดขึ้นแล้วต่อมาก็ได้ปัจจเวคขณยานหลังจากปัจจเวคขณะยานก็สัพยุตยานใช่ไหมอาสาทะนัญาณหกก็ได้แล้วได้มหากริยาญาณนะสามก็ดีมหากริยายจิตแปดเป็นต้นก็ดีเนี่ยเพราะว่าสัพยุตยานนั้นองค์ทําทได้แก่มหากริยาญาณนะสัมยุทธนี่ใช่ไหมนั่นแหละคือพระองค์ได้มา อนาวนายานอินทรียโปรปิยติยานมหากรุณาสมาปัฏิยานยมกบปาฏิหาริยาญานแล้วก็อาสยานุสยานของพระผู้มีภาคเจ้า6ประการนเนี่ยอันนี้เรียกอาสาธนณาญาณ6ประการไม่สาธสนากับปัญญายานของสาวกทั่วๆไปอันนี้พิเศษมากแล้วก็<ม>นี่ไงทศพลยาน10ทศพลยาน10มีฐานาฐานายานเป็นต้น ญานที่รู้ฐานะและอาฐานะของสัตว์ทั้งหลายนี่นะความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นจนถึงนี่นแหละสัรพยุยติยานเป็นข้อสุดท้ายอาตมาจําข้อแรกกับข้อสุดท้ายไว้สบาย <c oughs> ถ้าไปไล่มันยาวไงจริงๆแล้วถ้าแค่อธิบายฐานาฐานญ า, านนี่ก็โอ้วันนี้ก็เล่นยุกยานนี่แหละไม่ไปไหนแล้วยานต้สพพลายานกุรยา น, านยาก็เลยบอกรวมๆเขาไว้ย่อยสิบประการแล้วก็ พุทธยาน14เวณิกธรรม18อแปดอ萨ธัญญาณ16แล้วก็เนี่ยเวสารัชญานสก่กทศพลายาน 4, สิเหล่านี้อันนี้คือพยานเนีจัดเป็นอัจชฉชติการสาธารณาสมุทฐานเป็นสมุทฐานที่เกิดขึ้นภายในใคือเมื่อคือเมื่อได้ตรัสรู้แล้วก็เลยได้สิ่งต่างๆเหล่านี้พระมหากรุณาที่คุณจัดอยู่ในอัจฉติกาสาธารณาสมุทฐานเช่นไรแม้คุณธรรมคือทศพลายาน อนนาวรณยานเป็นต้นเหล่านี้นะเกี่ยวกับในเรื่องของอาสาธารณญานหกพุทธยานส4บสี่เวนิกระธรรมส8บแปดแลก็เวสารัชยานสี่เป็นต้นก็จัดเป็นอัจฉติกาสาธรณสม牟ฐานในการแสดงธรรมเช่นกันเพราะพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีพยายานเหล่านี้นะสัตว์โลกไม่ถามว่าเอาแค่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายธรรมดาเนี่ยดึงใจสัตว์โลกได้ที่ไหนล ไม่ได้เลยดึงได้เพียงเล็กๆ น, น้อยๆหลังจากที่พุทธเจ้าป ร, ริณุบนิพานไปแล้วลองดูการทำงานของภาษาวกที่ลำบากขึ้นเยอะเลยขนาดทั้งๆ ท, ท, ที่พุทธเจ้ายังทรงปัะชัอยู่โดยฐานะเป็นพระธรรมวินัยที่พองค์ให้ไว้แล้วเนี่ยการประกาศคำสอนอยังยากยังลำบากขนาดนี้ใช่ไหมใช่ยิ่งมายกที่พระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีเนี่ยนะในยกที่มาในปัจจุบันเนี้ย จนเหลือประเภทแค่ป่ท่ปรมากกับเนยยะบุคคลด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหแสนเข็นเลยตอนนี้ทั้งผู้แสด ง, ท, งทั้งผู้ฟังน่ยจิตใจห่างเหินว่าทำกันอย่างมากมายเลยตอนนี้ในขณะที่ฟังทำเนี่ยจิตใจสั่สายมากใช่ไหมในสมัยครั้งพุทธกาลในเวลาคนฟังธรรมเขาไม่คิดถึงที่อื่นเลยเนี่ยเขาก็คิดถึงพระธรรมเทศนาที่กําลังฟังไปอย่างตลอดสายและต่อเนื่องด้วยแต่สัตว์โลกในปัจจุบันนี้มีบ้างไหมที่ฟังธรรมแล้ววางจิตใจและเดินด้วยกุศลจิตเนี่ย เดินอย่างความคิดของท่านพระมหากระศบได้ไหมล่ะเราจะฟังทำด้วยกุศลนะเราจะเงี่ยโสดสดับตั้งจิตรัรบรู้เป็นต้นแล้วก็จะมวลมาด้วยจิตทั้งหมดนะที่เป็นกุศลนกะคือคจะทําสิกขาสามให้เกิดขึ้นในขณะที่ฟังประรรมด้วยและในขณะที่ฟังทำนั้นเราจะเงี่ยบโสดลงฟังนะจะตั้งเป็นกุศ ล, ลจิตเกิดขึ้นในขณะนั้นจริงๆนะและเราจะไม่ส่งจิตไปทางอื่นเลยเราจะไม่เพ ล, ลินเราจะไม่หลับเน่ย เราจะไม่ให้ความหลับความเหงาความเศร้าซึมทั้งหลายต่างๆมาแทรกในขณะฟังว่าทำมเดศนาเลยเนี่ยใครวางได้ขนาดนั้นถ้าวางได้ยาขนาดนั้นน่ะนั่นเขเรียกว่าเอยวางจิตในการฟังทำเป็นถ้าสมมุติว่าในขณะที่ฟังทำนะใจก็เลื่อนลอยฟังแบบเบาๆเนี่ยไม่เหมือนกับฟังลิเกละครนี่นะถ้าดูหนังดูลิเก ด, ดูละครในบางคนนี่ดูได้จนจนเที่ยงคืนเนะี่ยเคยเคยเห็นไ ถ้ายิ่งสิ่งที่ตนเองชอบได้แล้วรีบไปนั่งอยู่ข้างหน้าเลยใช่ไหมรอแล้วไม่หลับเลยดูแล้วตื่นเต้นเป็นเรื่องเป็นราที่ตนเองชอบเลยเอาสิวันก่อนไปไปที่เชียงใหม่มีโยมคนก็บอกว่าเนี่ยเขามาฟังทำเนี่ยแต่บอกว่าทไมท่านสอนให้ละนั้นละเนี่ยเขาเหลืออยู่เรื่องเดียวยังละไม่ได้เขายุ่งมากเนี่ยถามอะไรเ ข, เขาติดหนังเกาหลี <c oughs> มาบอกโอ้ตายแล้ว เขาบอกวก็ตกใจใช่ไหมถ้าเป็นเด็กๆ ก, ก็เพราะว่าอันนี้เล่นปาร์กอะไรอย่งเจ็ดเจ็ดสิบขวบแล้ว <c oughs> คนนั้นเจ็ดสิบขวบแล้วติดหนังเกาหลีบอกหมดสภาพแล้วจะทําไงนี่ไอ้ธรรมมาก็อยากฟังไอ้หนังก็อยากดูไปตลาดก็ซื้อหนังเป็นชุดวั้อย่างเยอะเลยวันมาเล่าฟังก็เาเขาถามว่าเขาจะเลิกได้ไงเขาก็อย่าไปซื้อไปถึงก็ทิ้งให้หมดแค่นั้นก็จบแล้วไ <c oughs> <c oughs> ม่มันมีอะไรเลยใช่ไหม ชีวิตเนะี่ยไปทำคิดอะไรมันมากมาโอ้โหท่านยมไม่ใจแข็งแบบนั้นเนี่ยไม่เห็นต้องไปแข็งอะไรก็ไปก็ลือทิ้งลือถึงยีดที้งนีง่มันมเห็นมีอะไรเลยง่ายใช่ไหแต่ไม่ยอมทําไปเกงใจตัณหาเออแปลก <laughs> เกงใจตัณหาเออประหลาดจะให้ไปเกงใจมันทําไมใช่ไหมก็มันทําให้เราทุกข์จะตายให้มาเกงใจเลยมันอยู่ใช่ไหม ใช่ไหมไปเก่งใจไปแล้วเกินตัณหาเวลาตัณหามมนจะเอาอะไรนี่โอ้ยงอกงอกงอกเจ็บ ต, ตายบุตรีใช่ไหมบุตรีปัญญาจะใช้หน่อยเดียนะเด๋ยวหนะ้าเดี๋ยวเน้าเออแปลกไม่ค่อยเก่งใจปัญญาแต่เก่งใจตัณหาแล้วบอกต่อไปกลับมาบอกออไม่ไหวแล้วก็เรานี่ร่างกายพังมาเพราะมันมาเยอะแล้วแล้วตัณหาเป็นเหตุแห่งทุกข์ถ้าเก่งใจมันมานานเองอย่า ง, งในสังสารวัฏที่ผ่านมาใช่ไหม ดูดีเราต้องแบกลูกแบกล้านแบกทรัพแบกอะไรต่างๆก็เก่งใจตันหาต่างใช่ไหมแต่จะทรมาร์วนเหมือนฉลาดเนี่ยเราเก่งใจมันจริงๆเลยเนาะเก่งใจใช้ร่างกายแทบพังหมดเลยนะใช่ไหมเก่งใจตันหาจนขนาดนั้นนะเลิกเก่งใจทีตัดขาดกันทันทีไปถึงกับไปชมนะเรียกตันหามาบโอ้โหหลายหลา ย, หลายอัตภาพแล้วเนี่ยเราต้องเจ็บปวดเพราะคุณเนี่ยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรากับคุณอย่าขาดกันกล้าไหมกล้าไปพูดกับตันหาแบบนี้มั้ยพอพูดได้สองคําออกที่พูดไปอย่ากอดกันนะให้โยงเลยตันหาเอาไว้ถ้าเกินดีมันอยู่เลยเลยเนี่ยตันหาเป็นอย่างเงี้ยก็พอบอกอย่างงี้ยอมก็เขบอกว่าโอ้เขาค่อยๆเป็นไปได้มั้ยเนี่ยค่อยๆเป็นไปมันจะไปได้ยังไงใช่ไหมมันจะไปได้ยังไงก็ค่อยๆเป็นไปก็เอาเลิกทีละนิดเลยนีดก็ว่ากงั้น ค่อยๆค่อยๆเป็นไปอือไปค่อยๆเป็นไปอายุก็ผ่านนั้นแล้วก็บอกว่าใช่ไหมถามว่าถ้าจะตายขึ้นมาเนี่ยอารมณ์ที่ประทับใจที่เราดูมาเป็นอารมณ์ก่อนตายเนี่ยแล้วก็ต้องดูคติเราจะไปไหนเนี่ยไม่ไม่ต้อง ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่กรุณนาโดยเดียงบ่างใช <_' c ười> ่ไหมครับก็บอกไปแล้วเมือนเราคิดได้บ่หรือ เขาบอกดูพูดมันง่ายพอมาฟังท่านมันเหมือนมีกําลังใหญ่จะทำํำพอกลับไปที่ไรก็ไปเห็นจอทีวีได้เล่พอดเลยก็ง่ายมากเลยเรียกข้างบ้านมาวันนี้จะบริจาคทีวีมันยิ่งง่ายใหญ่เลยแต่เงี้อะไรเป็นนิต่างของตัณหาใช่ไหมรู้ว่าจะทนไม่ได้ก็บริจาคทิ้งไปบริจาคทิ้งไปเพราะตัณหามันกลัวที่สุดคือกลัวอะโลภมันกลัวมันกลัวความไม่โลภ ให้ความโลภเนี่ยมันกลัวความไม่โลภเนี่ยใช่ไห ม, ใ ห, ม, ม, ไมให้ความโกรธมันกลัวเมตตาให้ความหลงมันกลัวปัญญาเรารู้อยู่ใช่ไหมโดยสูตรเนี่ยรู้อยู่นะเพียงแต่ว่าเออเราจะให้ให้อาหารให้ปัจจัยปพอให้ไปเบรเซ็ตมันั่งก้มมันไ ม, ไม่จะหาซื้อไหวจะเริ่มเดือดร้อนแล้วแต่หนาก็ก็เป็นเงี้ยเนี่ยฉะนั้นอัด พยายนทั้งหลายของพระบรมศาสดานั master master ้นจัดเป็นอัจฉติกาสาธารณสมุทฐานในการแสดงธรรมเช่นเดียวกันนะจริงอย่างนั้นว่าพระพุทธพระเจ้านั้นทราบเยยธรรมทั้งปวงและในที่พึงแสดงด้วยคือพระพุทธเจ้าเนี่ยรู้รู้เยยธรรมสังขารวิการลักขณะนิพพานบัญญัติก็รู้ว่าปิญญยธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งเป็นปริญญาธรรมธรรมที่ควรกําหนดรู้ธรรมที่ควรรอบรู้คือทุกเนี่ยพระองค์ก็รู้ปริญญาธรรมเนี่ยคือว่าพระองค์รู้อริยสัจ รู้หมดเลยส่วนปรินญยียธรรมเนี่ยนะรู้อะไรรอบรู้ทุกษัตริย์ทั้งหมดเลยทุกสัตริย์เนี่พระองค์รู้หมดนะในกาลมาพบรู้ประพบอารู้ประพบเนี่ยพบสามเนี่รู้หมดเลยแล้วก็รู้จักรวาลทั้งสิ้นเลยแสนโกจักรวาลเนี่ยรู้หมดเลยนั่นก็คือกลุ่มเหล่านั้นคือกลุ่มทุกสัตริย์หมดแล้วไม่มีทุกษัตริย์กลุ่มไหนที่พระองค์ไม่รอบรู้ ส่วนในด้านของปหาต m a t ร p a พระพ อ, องค์ก็แยกได้ว่าเป็นธรรมที่ควรละธรรมที่ควรประหารมีสมูทยัยคือตัณหาเป็นต้นใช่ไหมแล้วไม่ใช่แค่นั้นนอกจากรู้ขันห้าแล้วเหตุของขันห้าแล้วไม่พอเนียยังรู้ด้วยว่าที่ดับของขันห้ากล่าวคือพันิพาน์พระ อ, องค์ก็รู้ว่าอันนี้คือสัจจิกาธ a p a t ธรร ม, มที่ควรทําให้แจ้งแล้วไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมพระ อ, องค์ยังรู้พาเวตปาปะธรรมด้วยธรรมที่ควรควรเจริญคือรู้หนทางอ่ รู้สติปฐานรู้สมมติปทานอิทิบาทอินทรีพระละโภชงแล้วก็อริยามรรคมีองค์แรู้อะไรรู้โพธิปักเคยธรรม37มสิบปารกานี่ไงพระ อ, องค์รู้ตรงนี้ไงนี่แหละเขาเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นนะ่ะรู้รอบรู้หมดเลยอภินญยธรรมถ้าว่าตามลําดับของลําดับนี้เขาเรียกว่าตามพระสุตันตปิฎกถ้าตามในยะอพิธรมปิฎกก็รู้อะไรสังขาร ทำที่เป็นสังขารทั้งสิ้นเลยที่เป็นสังกัตธรรมทั้งหมดพระองค์รู้หมดเลยทำที่มีกรรมจิตอุตวหันปรุงแต่งไงเนืรู้หมดทำที่เป็นสังขารทั้งหมดแล้วก็รู้จักสังขารวิการนอกจากสังขารแล้วนีกลุ่มเกี่ยวกับวิการะพวกความเบาความอ่อนความครวนทั้งหลายเนี่ยพระองค์รู้หมดเลยเหตุปัจจัยที่จะทําให้สังขารต่างๆหรือรูปธรรมต่างๆเป็นไปได้เนี่ย สังขารวิการลักษณะเออรูด้วยรูออ้อุปาทะใช่ไหมอุปัจญาสันตติชลตานิจตาเนี่อรู้เห็นไหมรู้การขณะเกิดอุปาท h เนี่ยนะอุปาท h หรืออุปัจจะาคือการเกิดขึ้นของขันต่างๆนี่นะพระองค์ก็รู้เลยอุปัจจะสันตติคือการสืบต่อกันของรูปของนามต่างๆพระองค์ก็รู้ ชะาตาคือความแก่ของรูปของนามทั้งหลายผู้องค์ก็รู้ทั้งตลอดด้อนั้นอันนี้จะตาคือความดับของรูปนามกันห้าของอายตนาทั้งหลายก็รู้เหมือนอย่างนี้สุดยอดแล้วก็บัญญัติมีบัญญัติไหนที่พระบรมศาสดาไม่ทราบไม่มีเขาเรียกตรัสรู้เยียธรรมห้าประการเนี่ยอันนี้ตามเนยยะของพระพิธรรมเนาะนี่ก็นี่ใครก็รู้รู้ธรรมทั้งปวงและไม่ใช่รู้ธรรมทั้งปวงอย่างเดียวเท่านั้นนะ ในที่พึงแสดงเยียธรรมทั้งหมดก็รู้ด้วยที่ว่าไม่ใช่รู้มากอย่างเดียวนะยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ที่เหมาะสมแก่พระธรรมที่พระ อ, องค์รู้ด้วยตรงนี้ยากมากถ้าอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยหลายๆคนที่นั่งกันอยู่นะี่รู้หลายเรื่องนะแต่บางทีไม่รู้หรอกว่าคนคนนี้เหมาะสมแก่การที่จะนำขตดผลเรื่องอะไรต่างๆเราจึงแกอุปทิสัยคนไม่ได้แก้ไม่ได้เลยเนี่ย ที่เราบอดสืดๆกันในยุคนี้ก็คือเราไม่รู้อัธยาศัยและไม่รู้จริตเลยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยนะมายุ่งการเอาคําสอนพระเจ้าก็มาแจกกันแจกแจกแจกใช่ไหมใช่เลยไม่รู้อัธยาศัยเลยถ้ารู้อัธยาศัยอาจจะไม่มีการสแสดงทำเลยก็ได้ใช่ไหมบอกว่าอย่าสแสดงเลยเนะี่ยแสดงไปก็ไม่ได้หรอกก็เลยบอกว่างั้นหยุดกันไม่ต้องสแสดงแล้ว ใช่หมสมมติถ้ารู้อัธยาศัยจริงๆใช่ไหมนี่ก็ดีเหมือนกันได้มอง ม, มุมเนี้ยเนี่ยก็อยู่กันแบบไม่รู้นี่แหละดังปลายตางก็ไม่รู้ก็เลยเอ้าแต่ก็ได้บุญ น, นะอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าจริงๆถ้าอย่างเนี้ยถ้าเรามามาม า, มานั่งคิดดูที่ว่าจริงๆถ้ารู้อัธยาสัยเนี่ยคนมาศึกษาพระธรรมคนมาปฏิบัติธรรมไม่มีแค่นี้แร้วใช่ไหมเพราะคนที่อยากออกจากทุกข์มีเยอะที่หมดเลย แต่เราไม่รู้อัธยาศัยเขาไงว่าออพระธรรมประเภทไหนที่จะเป็นตัวดึงเขาออกจากวัตถุกรรมได้นี่ไม่รู้มึนโยงงานผิดไปเกี่ยวข้องกับใครเยอะแยะเหมือนก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเกี่ยวข้องกับลูกบางทีลูกยังไม่รู้เลยเรายังไม่รู้อัธยาศัยของลูกเลยแล้วบอก ว, รรว่าสวดมนต์ทำวัดเนี่มันโกรธดยเฉพใช่จริงยังไม่ใช่สูตรนั้นใช่ไหมเออมันควรจะแนะนําจุดอื่นเดี๋ยวเราก็แนะนําผิดอย่างเงี้ยเนี่ยนั่นแหละคือไม่มีไม่มีไม่รู้อัธยาสัยที่เหมาะ แต่พระเจ้านั้นจะรู้ไงพระองค์จะทรงรู้ว่าเออควรแค่ไหนอย่างไรและที่ที่อัศาจรรย์อีกจุดหนึ่งคืออะไรไหมที่พอพอมองออกก็คือว่าเวลากําลังพระบรมศ า, าศาสดากําลังแสดงธรรมนี่นะและถ้าหากสัตว์เหล่านั้นที่ฟังธรรมอยู่กําลังพิจารณาเนื้อธรรมพระองค์ก็หยุดอยู่ในสมาบัตริรอให้ท่านเหล่านั้นตรึกดาเอางี้สมมติว่าถ้าถ้ายานหยุดบรรยาย ห้านาทีแล้วหลับหน่อยเต้นมาเหลืออยูบอ่บ้างใช่ไหมจะมีหลายคนเนี่ยพอเสียงเงียบเปนสบายก็หลับเลยใช่ไหมก็หลับเลยอ่าบอกว่าบเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเออเนี่ยให้ฟังทำไปแล้วนั่งกรรมาฐานไปไม่เคยน้าไว้ใจหรอนั่งหลับกันเยอะสังเกตไหมเพราะจริงๆแล้วใจแปลกมากเวลาช่วงอื่นไม่ค่อยหลับสังเกตไหมโยมรีเคยเป็นไมล่ะแต่พอช่วงฟังธรรมนี่อยากจะหลับเลยใช่ไหม มันเป็นเพราะอะไรอ่ะฟังเริมเพลินใช่ไหมเยยะธรรมตามในที่บึงแสดงเยยธรรมเหล่านั้นตลอดถึงอัธยาศัยของเราสัตว์ตามความเป็นจริงแล้วก็ประกาศเทศนาที่ประกอบอันวิจิตตังตับตะตรงตามอัธยาศัยของเหาเวนยชนเวนัยสัตว์เหล่านั้นด้วยพระปีชาชานฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะตรงเนี้พระองค์ก็จะใช้ฐานาฐานะนายนเป็นต้นเหล่านั้น มากำหนดดูไปด้วยในการแสดงวธรรมของพระองค์นี่นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นสาธาณะสมฐานทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกได้อธิบายแล้วส่วนอาสาธนาสมฐานมีสองอย่างคืออัจฉติกาสาธารณ์อาสาธานสถานนะท่านใช้คาว่าอัจฉติกาสาธารณส์สฐา น, นก็แปลว่าอาสาธาณั ฐานที่อยู่ภายในแล้วก็ภายละสาธารณะสมุทรฐานอาสาธารณะสมุทรฐานที่อยู่ภายนอกในบรรดาอาสาธารณะสองประการนั้นอาชาติกาสารสมุทรฐานไงอันนั้นหมายถึงพระมหากรุณาและเทศนายานที่พระองค์ทรงใช้ในการแสดงพระสูตรต่างๆ ถ้าถามว่าที่เป็นอส า, าธยนาอัจฉติกะเนี่ยตามอัธยาศัยด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นเป็นเกิดขึ้นจากภายในและเป็นไปตามอัธยาศัยของสัตว์ด้วยเนียนั่นเป็นผ้าหมากรุณาและก็เทศนายานที่พระองค์ทรงใช้ในการแสดงอย่างเช่นในทีคณิกายอะ่ะจะมีเยอะมีสติปัฏฐานสูตรเป็นต้นเ่าเนี่ยนะ ส่วนภายและสาธารณสมุทรฐานก็คือพระธรรมาถาาจารย์ท่านประสงค์จะแสดงให้ทราบในที่นี้จึงได้กล่าวประโยชน์ขึ้นบอกว่ากรณีที่อันนั้นหมายความว่าเป็นเกี่ยวในเรื่องของภายนอกแต่เอามาจากภายในแล้วมาสาธยายเป็นนัยยะของพระธรรมาถาอาจารย์ถามถึงถามถึงหรือกล่าวถึงหรือขยายข้อความเป็นต้นเหล่านี้นะ ตรงนี้ถ้าเราทราบเหตุผลตรงนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็จะได้เป็นปัจจัยในการที่จะศึกษาวาิธรรมของผู้ได้เจ้าเนะีว่ากรณีที่เราจะเดินหรือศึกษาเกี่ยวกัเรื่องของคุณของผู้ได้เจ้าเนี่ยนะในพุทธานุสติก็ไปอยู่ในคมพีของวิสุทธิมักในอนุสติสิ ป, ปการเนาะในอนุสติสิ ป, ประการก็แปลคือที่ท่านเรียกว่าอนุสติก็เหตุผลก็คือว่า เมื่อเราศึกษาคุณของพระเจ้าแล้วจะได้เจริญพุทธานุสติเป็นเมื่อเราศึกษาพระธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแล้วเอาพระธรรมเหล่านั้นมาละลึกก็ได้เจได้เจริญธรรมานุสติเป็นเมื่อเราเห็นบุคคลที่ได้ฟังธรรมแล้วได้ตัดสู้ตามธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเนี่ยนะบุคคลเหล่านั้นเราก็เอามาละลึกถึงคุณของท่านเหล่านั้นอันนั้นก็เป็นการเจริญอะไรสังขานุสติเป็นต้นถ้าละลึกหรือปารภถึงการ ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุหรือไม่เป็นรูของกุศลศีลของท่านทั้งหลายที่รักษาของคนคนนั้นที่รักษาเนี่ยก็มาเจริญศีลานุสติถ้าปารบการบริจาคทานใช่อย่างเราท่านทั้งหลายเคยบริจาคทานแต่ทานที่จะมาปารบในการมาละลึกบ่อยๆต้องเป็นทานที่ไม่มีตัณหามานาทิธฐิเกี่ยวข้องอันนั้นเขาเรียกว่าอะไรเป็นจาคานุสติ ถ้าหากปาราถึงเทวดาทั้งหลายหรือคุณธรรมที่ทําให้เป็นเทวดาทั้งหลายอยู่เนืองเนืองเกิดขึ้นนั่นก็เป็นเทวดานุสติถ้าปาราถึงการขาดลงเหิงรูปประชีวิตและนามปชีวิตใช่ไหมของกระแสะขันของสัตว์ทั้งหลายในภพหนึ่งหนึ่งอันนั้นก็เป็นมรณ า, านุสติถ้าสติระเลิกถึงรูปกายอันต่างไปด้วยผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นอันนั้นก็เป็นกายคตาสติ ถ้ามีสติตามระลึกปารบลมหายใจเข้าและลมหายใจออกอยู่ที่จุดกระทบเข้ากระทบออกเป็นต้นก็เป็นอาณาปานาสติถ้าระลึกถึงความปารบความสงบจากรูปนามและขันห้าเป็นต้นสภาวะนั้นเอามาระลึกอยู่เนืองๆเป็นต้นนั้นก็เป็นอุปสมานุสติใช่ไหมสรุปแล้วก็คือว่าอนุสติทั้งสิบประการเหล่านี้เป็นปัจจัยในการแทงตลอดอริยสัตว์ แล้วก็เป็นปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนกันทั้งหมดเลยแต่ในยุคปัจจุบันขาดตอนมากเห็นดีเล่นเล่นกันอยู่ตอนนี้ก็คืออาณาบรรณสตินะไม่ใช่เอาจริงเอาจังด้วยนะแบบประเภทเล่นล น, นี้เนียอาจจะมีคนเอาจริงเอาจังก็ได้ใช่ไหมเวลานั่งอยู่ตรงนี้ใครเอาจริงเอาจังก็นึกเออไม่ใจไม่อยากไปก็คือที่ยังมีเอามาพูดพูดถึงกันหน่อยนอกนั้น มีเพิ่มขึ้นมาหน่อยตอนนี้ก็เริ่มจะได้ยินแววๆขึ้นมาก็คือกายยคตาสติแค่นี้นอกนั้นหายเกลี้ยงเลยเพราะบอกว่าจเจริญพุทธานุสติก็หายไปแล้วเหลือแต่คำพูดที่จะมาจะเจริญกันเป็นล่ามเป็นสารก็ก็ไม่มีธรมานุสติแทบไม่ต้องพูดถึงแต่ยังมีการสวดกันอยู่นะ ไปที่ไหนยังยินสวดกันเจ้าเจ้าเจเจ้าตามพระเจดีตามต้นพระศรีมหาโพธิ์ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนี่นะที่ชาวพูดนับถือก็ไปอิติปิโสปะาวาอะระหงังสัมมาสัมพุทธโธไม่รู้อะไรก็นเราไปกันนะฝุ่นฟุ้งเลยบางทีเนี่ยนะควันก็เยอะกลับ <c oughs> มาก็มาเจ็บป่วยกันนะี้บางทีเนี่ยนะมาก็มาบ่นเลยไม่น่าไปบ้างอะไรก็อะไรไม่รู้แย่หมดเลยทั้งเนี้ก็มีอย่างนี้เยอะเลยใช่ไหม นั้นพุทธะ ธ, ธรรมานุสติสังขานุสติก็ตามไปด้วยก็มีการระลึกแบบการสวดกันพอพูดถึงในด้านของศีลานุสติหายกยังเลยแทบไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้ถามมีใครเจริญสีลานุสติกันเป็นบ้างอ้าวเงี่ยมันน่าน่าน่าน่าสนุนกันเนาะชาวาพูดเนี่ยจาคานุสติโอ้ยทํำให้ทานกันเหลือเกินแต่เอามาเจริญกันไม่เป็น แต่เอามาเป็นราคาคุยเยอะนะคุยเยอะทาที่โน่นที่เนี่ยเยอะแต่เอามาเจริญกันเป็นล่ําเป็นสันไม่เป็นจากานุสตินี่นะแล้วก็อะไรเทวตานุสตินี่จบไปตั้งนั้นแล้วแต่พายตรงมีสวดอยู่นะแต่ว่าสวดอยู่สองสารประโยคมีอยู่รู้สึกจะสี่บาทคาถาแค่นั้นแหละฮิริโอตฮิริโอตปาสัมปันนาโสกัสธรรมมาสมาหิตาเป็นต้นอะไรนี่นะคือสวดสวดตอนทําวานนะันเนี่ย เคยสกิรถามพ่อใหม่บอกท่านรู้เรื่องไหมผไม่รู้เราสวสวดเป็นองนก็แสดงว่าไม่เจริญแล้วทั้งผููนําทั้งพูดตามน่าคิดมากนะแล้วก็มรณ า, านุสติโอห้ามกันเลยเย่างนี้เจ้าพูดบอกอย่าคิดถึงความตายนั่นไม่ได้มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจะไม่ให้พูดถึงกันด้วยอ่ะจังมปปะโอปัสสนุสตินี่จบจบตั้งนานแล้วไม่เห็นภาพไม่เห็นรูปร่างเลย ถ้าเจริญกันก็ไม่ถูกที่บอกว่านิพานเป็นเมืองเป็นอะไรก็ไปกันใหญ่เลยนี่อุปสมานุสติผิดพลาดกันหมดแล้วเห็นไหมว่าแค่อนุสติเนาะแค่อนุสตินี่ก็เป็นเรื่องที่น่าน่าสะดุง้งน่าคิดมากว่าอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้เอามาเจริญกันไม่ได้ที่หลักใหญ่เลยพุทธานุสตินี่เจริญไม่ได้นี่น่าคิดมากทั้งๆที่พระเจ้าเป็นธรรมสามีไหมแปลว่าอะไรอะธรรมะสามี สามีแปลว่าเจ้าของใช่ไหคนที่มีสามีก็แปลคนที่มีเจ้าของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสามีพระเจ้าเป็นเจ้าของพระธรรมใช่ไหมใช่เน้นชาวพุทธศึกษาพระธรรมแต่เจเริญพุทธานุสติไม่ได้นี่ต้องกลับไปคิดต้องกลับไปคิดว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมเอาของในบ้านเขามาใช้แล้วไม่เคยเห็นบุญคุณของเจ้าของบ้านเนี่นี่น่าคิดนะ อันนี้น่าค well ิดมากใช่ไหมโอ้โหเรามีคนอยู่ด้วยในบ้านใช่ไหมลูกอยู่ในบ้านเราเลี้ยงมาอะไรมาเบียดเสแลวเนี้ยวันดีคืนดีลูกไม่เคยคิดถึงคุณของพ่อแม่เลยเนี่ยเขาว่าลูกอะไรเนียเขาเขาเรียกไงอ๋อถ้าเราเลี้ยงลูกมาทั้งชีวิตแต่ลูกไม่เคยเห็นคุณเราเลยเขาว่าไงเอันนี้เละคนใช่ไหม อา้าวเรานับถือพระธรรมของพระพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานแต่เราไม่เห็นคนของ พ, พระพระพุทธเจ้าเขจะเรียกเราว่าไงลยเนียอันนี้โยมพูดเองนะมา <c oughs> ใช่ไหมนี่ไงเราได้คิดว่าเอ้ยเนี่ยเรานับถือพระพุทธเจ้ามานานแล้วแต่เราคิดถึงคุณของท่านไม่เป็นอันนี้ต้องกลับไปคิดต้องกลับไปคิดอันนี้โจทย์ใหญ่มากการบ้านนะเนะ กลับไปนอนคิดเดี๋ยวเอออะไรเกิดขึ้นแล้วเออทาไมทําไมเราไม่คิดแค่พุโทโธอย่างเดียวแล้วตอนนั้นเราคิดถึงอะไรถึงลมหายใจเข้าออกไม่ใช่อีกเอาสิหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเนี่ยเป็นพันนามจริงอ่ะแต่ไม่เคยรู้ว่าอันนั้นเป็นพันนามของพระพุทธเจ้าแล้วลึกซึ้งในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระพุทธเจ้าจริงๆไม่มีอันนี้ก็สอนกันพุดโทรเขาควรที่จริงๆโบราณจานนี้เขสอนดีเหมือนกันนี่ เขากลัวจะลืลมพระ น, นามของพระเจ้าเพราะคนมันห่วงการงานกันมากขึ้นบก่กเอาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรกัแล้วเลยได้แก่พูดกระโทรกันนั้นตอนนักอื่นเอาไปทําดีแต่เนี้ยหายใจเข้าออกเย่หายใจเข้าเยหายใจออกสูยสสสเย่สูเสร็จเลยตานนักอื่นก็เอาหมดด่างแต่เนี้ยก็ตามพวกเราไปไงเงี้ยไม่ตาม่ตางต่างฝ่ายก็พอกันเลยที่นี่นี่เป็นเงี้ยนี่ก็คือ ต้องการเชีร์เห็นบอกว่าฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายเนาะมาดูว่าอนุสติเนี่ย เ, ออเป็นคุณธรรมที่ต้องควรดึงกลับมาแล้วก็มามาเรียบเรียงกันตามพระธรรมที่ท่านกล่าวไว้ดีแล้วนั่นละแล้วก็ระดมกันปลุกเร้ากันในการบอกเออจเจริญพุทธคุณกันให้เป็นก่อน ก่อนที่จะทําำคุณสังฆบุณเนี่ยนะเพราะอันเดียวกันอยู่แล้วเออจเจริญพุทธคุณเอายอดให้ได้ก่อนเนี่ยนะแล้วกรรมฐานอื่นก็ถือว่าเป็นกรรมฐานน้องๆไปเป็นกรรมฐานน้องๆ้งปใช่ไหมเปรี้ยเหมือนเราจะไปรับอาณาบานาะเนี่ยก็ไปรับมาจากพระเจ้าใช่ไหมจ้ะไปไปรับมาไง ย, ยังพิสไปถึงก็ไปถึงต่อหน้าพุทธโลกก็ได้ใช่ไหมนั่นคือเป็น เป็นอุเทศสกะเจดีเป็นตัวแทนพระเจ้าเป็นองค์แทนทําให้สัตว์โลกที่เกิดมาภายหลังไม่รู้จักพระเจ้าได้รู้จักพระเจ้าว่าพระ เ, เจ้ามีพระรูปลักษณะอย่างนี้เป็นต้นเราไปถึงก็กราบจัดการศรีละอะไรถึางต่าตัวทําจิตใจให้อาหฐานาล่าเรืองเบสเซจใช่ไหมพอเข้าไปเบสเซจก็ไปกราบขอเลยค อ, อริยาซั์ข อ, อริยาซั์ก็คือขออาณาปานะเป็นต้นอย่างนี้นะแล้วก็ขอ ขอขอรับกรรมฐานอย่างท่านจากพระผู้ธมีหภาคเจ้าพอรับกรรมฐานเบ็ดเสร็จก็นี้จะเอาอริยทรัพย์ที่ไปบริหารเอาต้นทุนต้นร้อนที่พระบรมศาสด า, า, าให้ไว้เนี่ยเอาไปบริหารเอาไปจัดการให้ได้ผลได้กําไรใช่ไหมพอไปถึงก็เอาไปบริหารเดี๋ยวเจงกลับไปแล้วกลับไปขอว่าขาดทุนแล้วล่ะเนี่ยแต่นะอย่างเงี้นะเหมือนพ่อแม่ให้ทุนเรามาใช่ไหมยองพีษ ให้ทุนมาโอ้โหเราจะตะหนักมากอันนี้เป็นทุนของพ่อแม่ให้ขาดทุนไม่ได้ผลกาไรขาดทุนไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ของพ่อแม่ขาดทุนยกตัวอย่างเช่นพ่อบอกอาณาปานะมีวัตถุเท่าไหร่พ่อแม่ให้มาเท่าไหร่สิบหกขยายหน่อยสามสิบสองไล่หน่อยที่ไม่ได้เลยนี่ขาดทุนทุนเดิมยัยเสียยัยเสีย ถ้าจะงอกเงยไปถึงการรู้อัฏฐธรรมะซึ่งเกิดความชัดแจ้งในการบริหารในการเจริญอันนั้นเป็นผลกำไรจเจริญไปจเจริญมาหายหมดเลยอานาปนาหายเกลี้ยงเลยจำไม่ได้เลยจตตุกการแรกยังไล่ไปถูกแล้วเป็นงั้นไม่ยอมรีเป็นงั้นไหมอันนี้ก็แล้วขาดทนุนนี่ขาดทุนแล้วพอพ้ที่ทุนหายกาไรไม่ต้องพูดต้นทุน นี่เขาเรียกว่าบริหารกรรมฐานของผู้ได้จ้าไม่งอกเงยนะตรงนั้นต้องต่อไปอย่าอย่าให้อย่าให้ทุนเดิมของท่านโคตรหายทรงเขาว่าใช่ไหมยยมงินพี่ก็เอากายคตาสติสามสองไปบริหารใช่ไหมทีนี้ไปบริหารก็อย่าให้หลุดเหลือสิบหกไลาไปลาหล่มาหายไปไหนงเงี้ย ใช่ไหมอันนั้นก็เรียกว่าทุนหายทุนมันขาดอย่างนี้เป็นต้นนะนะก็ก็ก็ลักษณะอย่างนี้ที่เขาไปบริหารกันเพราะว่ามันไม่ใช่หยุดอยู่แค่จตุการแรกนี่เนาะหรือไม่ใช่หยุดอยู่แค่ตัดจากปัญจก า, ากรรมฐานแค่ห้านี่นะคึงต้องสาธยายทั้งหมดไงสามสิบสองก็ต้องสาธยายเป็นระบบยังไงอะไรยังไงอย่างนี้เป็นต้น อันนี้เขาเรียกว่ารับอริยทรัพย์ของพระพุทธเจ้าไปแล้วเอาไปบริหารครจะดึงดึงหมวดไหนไปที่ถูกอัธยาศัยแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเน่ยพุทธานุสติต้องเป็นไหมต้องเป็นเนาะพอเราสวดกันเยอะมากเราสวดกันเยอะมากทำวัดสวดมวนเช้าเย็นก็เอาละโยโสภะวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธใช่ไหมสวาขาตัวภะวะตาธรมโมเป็นต้นเหรอนี่ก็ก็ว่าไป อันนั้นคือบทแห่งการที่ท่านสอนจะให้ระลึกนั่นเองอันนี้ก็กล่าวตรงนี้มาเนี่ยเพื่อต้องการให้เราทั้งทั้งหลายได้ได้ได้เข้าใจนะว่าเออการเจริญคุณพุทธคุณคือคุณของพระผู้ทธพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอันดับแรกที่ท่านกล่าวกันไว้เนาะทีนี้คําว่าอนุสติเนี่ยคําว่าอนุสติเนี่ยนะเป็นชื่อของอะไรอนุ แล้วก็บวกคําว่าสติตามระลึกเนืองเนืองได้มากท่านใช้คําว่าเนึองเนืองอ น, นุเนี่ยอาจจะไปแปลว่าน้อยก็ได้ใช่ไหมอาจจะไปแปลว่าตามก็ได้ใช่ไหมเขาแปลได้ถ้าอ น, นุภรรยาเขาแปลภรรยาน้อยเนี่ยแต่ไม่ใช่ในทีน่นี้ใช่ไหมอ น, นุสติในที่นี้เขาเรียกตามระลึกทีนี้พอพูดถึงสติเนี่ยไม่ใช่ใช้สติตัวเดียวเ น, นี่ยซุมกันมาก ต้องใช้ธรรมที่ประกอบกับสติด้วยเพราะในบรรดาสติตัวเดียวนั้นจะเกิดขึ้นมาแข็งแรงหรือมีกําลังไม่ได้เข้าใจนะเพราะการจเจริญพุทธานุสติเป็นต้นหรือธรรมานุสติหรือว่าหรืออาณาปานาสติหรืออุปสมานุสติก็แล้วแต่เขาไม่ได้ใช้สติตัวเดียวนะเขาใช้ธรรมที่เกิดร่วมกันกับสตินั้นนะ่ะเป็นต้นแต่ว่าสตินั้นเป็นดรรมนี่มีอุปการามะมาก ทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของสติเนี่ยต้องไปเชื่อมโยงในสติสัมโพชงที่บอกว่าเจริญสติสัมโพชงอนาศัยวิเวกอนาศัยวิราคะอนาศัยนิโรทาน้นอมไปเพื่อการสลัดทิง้งเวลาเจริญพุทธานุสติก็อาศัยอะไรอาศัยอะไรเบื้องต้นเลยอาศัยวิขำรนาวิเวกไม่ใช่อาศัยตทางเาวิเวกเนี่ยต้องชัดตรงนี้ อาศัยวิขำพนวิเวกก็คือในการสงบสะกดหรือคมห้ามห้ามอะไรห้ามไม่ให้นิวรธรรมทั้งหลายมาก้มรุมก็หมายความว่าการมชฉันทะพยาบาทเนี่ยทีนัมิท่าอุทะยากุกออุจาวิคีจิกยาแล้วก็สีเนี่ยพวกเนี้ยนะห้าตัวเนี่ยทําทําไมเขาถึงห้ามนิวรหรือมัมยนิวร น, นี่เป็นตัวอุปสรรคเลยเนี่ย เป็นตัวอุปสรรคในการที่จะทําลายสมาธิอย่างแรงเลยฉะนั้นคนที่มีนิวรมากๆเจริญกรรมาฐานยากมากดีอย่างเดียวก็คือเดินบ่อยๆเดินบ่อยๆแต่ในขณะที่เดินเดินก็เดินก็พยายามคลายกวนเพราะนั่งมันจะนิวรจะกุ้มลุมเยอะใช่ไหมก็ออกเอียบทเดินบ้างแล้วก็นั่งเดินแล้วก็นั่งใช่ไหมทีนี้คนจเจริญกลุ่มพทธานุสตินี่นะใหม่ๆนะอย่าเพิ่งจเจริญกว้างขวาง ถ้าจเจริญกว้างขวางเนี่ยถ้ากลุ่มทิฏฐิเจริต ด, ด้วยแล้วกลุ่มนี้คิดเยอะีความคิดมันจะแล่นเลยไปแล้วก็ใจมันแห้งมันไม่ค่อยเป็นใบกระบุญเท่าไหร่หรอกพอคิดคิดคิ ด, ค, ด, ค, ดคิดไปแล้วเนี่ยก็เใยการรับภาล่หนักเกินไปเนี่ยน่ะเข้าน่ะเข้าก็เลยกะมันใกลก้กันกับฟุ้งเลยเนะมันก็เลยกลายเป็นฟุ้งไปคือตรึกมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะคําใดคำหนึ่งก่อนให้เกิดความลึกซึ้งเอาแค่สัพท์เดียวก่อนอย่างนี้ก็ได้ เป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยนะคือระลึกถึงคุณเป็นผู้ไกลจากกิเลสยังไงเป็นเทเ่านี่นะห่างไกลแสนไกลจากกิเลสต่างๆเหล่านี้ก็ตามระลึกไปตรงนี้หลายๆท่านยังยังเดินพุทธคุณไม่ได้เลยเนะียเดินแล้วมองยังไงก็ไม่เห็นก็เลยแนะนำบอกว่าอออ่านคุณของพุทยญาติเยอะๆอ่านให้เกิดความทราบซึ้งให้ได้ฟังให้ดีเยอะ ที่ท่านกล่าวพุทธคุณยังไงก็น้อมใจฟังป่ะน้อมใจฟังหัดอยู่คนเดียวบ้างอ่ะหัดอยู่คนเดียวแล้วก็น้อมใจฟังดูพระรูปของพุทธเจ้าบ้างไปต้นพระศีมหาโพบ้างไปที่เจดีย์บ้างไปนั่งอะไรต่างๆสามารถหยิบธรรมะไปได้ก็ไปนั่งฟังแล้วก็มองไงนะอาศัยเอาที่ทังทวานหูก็ต้องเล่นงานก็ไม่ต้องต้องจัดการเนะให้ดุจโอกาสฟังแม้ทวารตาก็มองอ่ทะทวารใจก็คิดเอาที่ สามทวารเนี่ยเสร็จเรหมดแล้วเราจัดการเขาอยู่อย่างเงี้ยนะไม่ได้จะไปไหนใช่ไหมอย่างนี้มีโอกาสไหยอย่างนี้ก็มีโอกาสใจก็โน้ตัดความกังวลอย่างอื่นบ่อยๆอย่างเนี้ยนะในที่สุดจริงๆก็ก็ได้ต้องต้องใจเย็นเพราะเราไม่เคยอบรมมาเป็นอัธยาศัยเลยอะ่ะจำัางทีไปเนี่ยให้สังเกตทีเราไปไหว้พระที่ระหว่างงานไปไหว้พระกับงานการไปเอากี้นะว่า งานไหว้พระเก้าวัดทั้งหลายเนี่ยมีออกบ่อยเกินงานไหว้พระเก้าวัดทั้งหลายเนี่ยถามอะไรเป็นอารามนาธิบดีในจิตใจใช่ไหมนั่นจะดูตรงนั้นน่ะถ้าสมมติว่าพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นอารามนาธิบดีนะ คุณของพทธเจ้าเป็นอารามนาที่ดีจิตที่น้อมถึงพทธเจ้านั้นเป็นอารมณ์ที่หนักหน่วงรุนแรงอย่างแรงกล้าสิ่งอื่นไม่สำคัญเลยอันนั้นใช่ถ้าเหล่านั้นเดินถูกแล้วจะไปเก้าวัดสิบวัดยี่สิบวัดร้อยวัดไปเถอะแต่ถ้าไปแล้วคุณของพทธเจ้าก็ไม่เป็นใหญ่แต่เรื่องอื่นเป็นใหญ่อันนั้นอันนั้นการได้บุญเริ่มน้อยแล้ว เพราะการไปยังไม่รู้คุณก็เชินเนาะไปยังไม่รู้คุณแต่ยังพวกเราทั้งหลายเนี่ยฟังทำ ม, มาขนาดนีก้การเดินพุทธคุณน่าจะมีผลบ้างเงินใช่ไหมใช่ไหมต้องพูดหน้านี่จิตใจใจหนึ่งยังบ <c oughs> อกแล้วมีบางบง่รู้ค ง, งน่าจะมีใช่ไหมนี่ก็ก็ลองไปพิจารณาตรงนั้นก็คือถ้าเป็นอา ร, รมนาธี่พอดีใช้ นี่นะตรงนี้นะคือคือการเจริญพุทธคุณทีนี้ในอนุสติดังที่ได้กล่าวไว้แล้วเนี่ยถ้าอิติอิติปีอารหังเป็นพระอรหันแม้เพราะเหตุอย่างนี้บางทีแม้เพราะเหตุอย่างนี้เนะท่านเอามาไว้เป็นประโยชน์ข้างหลังบางท่านก็แม้เพราะเหตุนี้เป็นพระอรหรันเจ้าอะไรขึ้นก่อ เป็นผู้ตัดสู้ชอบได้ด้วยตนเองแม้เพราะเหตุอย่างนี้ต้องต้องใช้คำว่าอิติปีิหมดเลยนะโดยหลักการเนี่ยเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและจรณะแม้เพราะเหตุอย่างนี้ไล่ไปงี้นะอิติปีิวิชาจารณะสัมปันโนเวลาเราสวดสวดแบบนี้หม อิติปิอระรหังอิติปิสัมมาสัมพุโทโธอิติปิวิชาเจารณสัมปโนอิติปิสุขโตอิติปิโลกวิทูอิติปิอนุตรโรปุริสธรรมสารถิอิติปิสัทธาเดวอนุสานังอิติปิพุโทโธอิติปิภควาตรงเป็นภควาแม่พระยาอย่างนี้ด้วยประการชนี้อันนี้ก็ไปดูเทียบในอังคุตแต่ละนิกายชะกาญิบาตก็จะชัดตรงเนี้เนาะให้ไปดูเทียบตรงนั้น การระลึกเนืองในพุทธคุณเหล่าเนี้ยดังนี้คือโยคีเนี่ยคําว่าโยคีแปลว่าผู้ประกอบความเพียร น, นี่นะประกอบในที่นั้นคือประกอบประกอบในโยนิสโสมนัสิการเพราะการที่จะเจริญพุทธานุสติเป็นต้นได้นี่นจะต้องมีโยนิสโสมนัสิการในการที่ใครครวรและระลึกตรงนี้เป็นชื่อของโยคําว่าประกอบนี่นะเนี่ยเป็นชื่อของโยนินิสโสมนัสิการเป็นต้น <c oughs> ที่จะประกอบ สัตววิทยาสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเกิดขึ้นนะนั่นพรู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์แม่พ่อเหตุอย่างนี้ทรงเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้แม้เพราะเหตุอย่างนี้เป็นต้นนะเป็นพระกวากแม่พ่อเหตุอย่างนี้ให้ยกเอาคำว่าอิตีปีเนะี่ยแปลว่าแม่พ่ะเหตุเนี้ยมาประกอบเข้ากับพุทธคุณทั้งเก้าบทวิธีเจริญท่านทำนี้ <c oughs> แต่บางท่านก็ใช้คําว่า อิติปิโสภควาอิติปิโสภควาแม่พ่อเหตุอย่างนั้นก็ล่ไปเลยเหตุอาการเป็นพระหลานใม่แม่พ่อเหตุอะไรแม่พ่อเหตุเลยเป็นผู้ไกลจากกิเลสเนี่ยเหตุกว่าที่จะได้ไกลจากกิเลสเป็นพระหลานพร้อมละถ้าเป็นพระหลารด้วยแล้วก็ละวาสนาได้ได้ด้วยเนี่ย เหตุผลในการที่พระผู้มีพระเจ้ากว่าจะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหนะันต์เนแล้วก็ละวาสนาได้ด้วยนะสร้างบา ร, รมีมาเท่าไหร่ใช่ไยี่สิบนะยี่สิบประสงค์ขใช่ไหมนั่นแหละแม่เพราะเหตุอย่างนั้นแหละเข้าใจนะนี่ถ้ า, ามองอย่างนี้เข า, าถึงเห็นคุณไงถ้าถามว่า <c oughs> เหมือนกับพ่อแม่สอนลูกว่า เนี่ยกว่าจะเลี้ยงเองโตได้เนี่ยแม่ต้องเหนื่อยมาเพราะเหตยียดเนี่ยเหยียดผลที่แม่พ่อแม่เลี้ยงมึงก็ว่าไปพระนาคุณแล้วเออเราก็เห็นคุณของพ่อแม่เนาะเห็นนะชัดไหมเห็นคุณพ่อแม่นี่เห็นชัดไหมระลึกได้ไหมเอามาระลึกได้ไหมระลึกแล้วเกิดความชื่นใจไหมทําให้รู้สึกรักและวก็ศรัทธาในตัวท่านมากขึ้นไหมยอย่างเงี้ยนะอันนี้ ถ้าผู้ได้เจ้าเนี่ยมากกว่าพ่อแม่หลายล้านหลายสิบโกดเท่าอันนี้เขาคิดอย่างเงี้เนี่ยบวกไปอย่างงี้เรื่อยๆวิธีบวกเนาะวิธีบวกคุณที่เอาพ่อแม่เอาคนที่มีอุปการะคุณกับเราทั้งหลายมาเปรียบเทียบซึ่งเปรียบเทียบไม่ได้หรอกแต่ว่านั่นแหละมันจะได้ระลึกอ๋อเขาระลึกคุณระลึกอย่างนี้เองใช่ไหมระลึกถึงคุณระลึกอย่างนี้องถ้างั้นก็ระลึกไม่ออกระลึกไม่ออกไม่รู้จะระลึกไงเลยใช่ไหม เขาเขาเลยลึกลักษณะอย่างนี้ก็ลองคิดดูนะว่าถ้าไม่มีคําสอนของพุทธเจ้าเน่ะ ก, ก็สัตว์ที่มืดบอดดีๆนี่หละไม่รู้เรื่องอะไรอาจจะรู้ไหมว่าเนี่ยเขามีพระไม่จะรู้ไหมอ๋อกรณีที่มาใส่บาตร ท, ทาบุญนีก็รู้ประเพณียังไม่รู้เลยถ้าพุทธศาสนาไม่มีก็ไม่มีประเพณีอยู่แล้ว ไม่ต้องพูดถึงศาราพระธรรมที่เราจะเข้าไปถึงแล้วก็เป็นปัจจัยแก่การเดินสิกขารสาบเป็นปัจจัยการพร้นทุกข์อันนั้นอันนั้นยิง่งยิ่งไม่ต้องมีเลยก็อยู่อย่างมนุษย์ว่าเวยียอย่างมนุษย์อย่างว่าเวเหมือนกับชาวลังกาที่เขาเคยขาดเนะี่ยเคยขาดพุทธศาสนาไปช่วงหนึ่งแล้วเขาเดือดร้อนแทบเป็นแทบตายนี่ยแหะตอนนั้นนะ่ะโอ้โหเขโหยหามากใช่ไหมประเทศเขาทั้งประเทศไม่มีพระธรรมคำสอนอย่างเงี้โโโยโวยเขาเดือดร้อนมากเนี่ย พอเขาได้กลับไปเห็นก็ห่วงดินใช่ไหมของเราไม่เคยคาก็เลยไม่รู้นั้นตรงนี้ก็เอามาระลึกนะเนก็ว่าไปตามลำดับดังที่ได้กล่าวตรงนี้ก็คือได้กล่าวไปแล้วนะหลายต่อหลายครั้งแล้วตามลำดับเริ่มตั้งแต่ที่อารหังเป็นผู้ไกลจักกิเลสพร้อมได้ว่าาสนาเป็นต้นนะว่าไปตามลำดับก็แปลว่าว่าไปเยอะแล้วหลายรอบแล้ว คำว่าอารหังก็แปลว่าไล่ให้ดูอีกทีนะมีอยู่สิบประการนเนี่ย <c oughs> เน่อในสิบประการนี้ก็มีอะไรบ้าง่ะมีของอัตกฐานะท่านประอัตกถฐาจารย์ท่านนั่นเขไว้เท่าไหร่นั่นเขไว้ห้าพระดีกาจารย์อีกหก็รวมเป็นสิพอดีนะอระรหังเนี่ยเออมันเป็นสิบเอ็ดพอดีคุณของพระ ผู้ใหา่พรเจ้ า, จาคำว่าละหังเนี่ยนะรวมเป็น11บดพอดีเลยเป็นผู้ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาประกอบเหมือนกับคนมีกิเลสใ น, นข้อแรกเนาะข้อที่2ก็คือทําลายค่าศึกคือกิเลสอนุพืชแต่ความเสียหายนี่อธิบายไปแล้วข้อที่สมก็คือทําลายซี่กรรมแห่งสังสาระจักซี่กรรมในที่นั้นเป็นชื่อของเจตนาที่เป็นไปในบุญเจตนาที่เป็นไปในบาปแล้วก็เจตนาที่เป็นไปในเนีนชะเนาะอันนั้นก็แปลวา่าเกี่ยวในเรื่องของปฏิจจสมบัติโดยเฉพาะเลยเนี่ยข้อที่3ามเนี่ย ถ้าใช้ายให้ละเอียดจริงๆก็คือยกปฏิจจสมุปบาทมาอธิบายทั้งหมดนี่น ะ, ะ, ะถ้าต้องการอยากจะรู้คุณคําว่าหักซี่กาเมงสังสารและจักรแค่ไหนก็ศึกษาปฏิจจสมุปบาทใช้เวลาให้ละเอียดละอองจริงก็ใช้เวลากันหเดือน <c oughs> อย่างปัญญาธรรมดาอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่เรียน6เดือนปฏิจจสมุปบาทถ้าปัญญาอย่างรวดเร็วหน่อยเขาเรียนสาเนาะแบบปานกลางนะัปัญญาเร็วๆ <c oughs> หน่อยใช้เวลาหนึ่งเดือนจบเลย อย่างเราเราก็ใช้เวลามาลเดือนเดียวก็จบหลยเพราะกลุ่มปัญญาเร็วกันอันนี้ไม่ได้พูดบอชพูดเรื่องจริงจะมาพูดเรื่องจริงเพราะโอ้โหมีฐานข้อมูลกันน่ะนี่เรียนเดือนเดียวนี่ผ่านได้แล้วจา้าเพราะเข้าใจหมดแล้วเลยเนี้ยถามทําไมที่เรียนมาก็อันอันแรกก็ลืมนนคือผ่านอย่างงั้น่ จะเข้าใจนะฟังเข้าใจหมดเคยไปถามบางทีไปบรรยายทำนี่จะจะถามเรนะื่อยเนี่ยถามลงมาถามนียอมยมังไงฟังแล้วเข้าใจหัวเข้าใจแต่จําไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปโยกหลังที่ไม่อยากได้ยินนะถ้าเข้าใจแค่นี้อพอเอายอมย ม, ยมพอแล้วแค่นี้พอแล้ว <c oughs> แต่ฟังเข้าใจนี่เล้ก็รู้สึกสบายใจนะแต่อย่าพูดมากกว่านั้นนะ ถ้บนมากคนนั้นเนี่ยพักใจเสียแต่จาไม่ค่อยได้เออยเฉพอายุมากขึ้นเป็นยริงจริงใช่ไหมอายุมากเนี่ยจําใหม่ยากแต่อันเก่าจำง่ายง่ายนั่นแหละก็คือประการที่สี่เป็นผู้ควรต่อการบูชาได้ปัจจัยและเครื่องสการละเนาะประการที่ห้าก็คือไม่มีความลับในการกระทําบาปอาละงเนี่ยนะ ต่างจากชนผู้มีกิเลสทั้งหลายคนมีราคาโทรศัโมหะเนี่ยมีความลับมีความลับในการทําบาปหมดเลยแอบคิดบาปเล่นเล่นเยอะแยะหมดเลยใช่ไหมไม่ได้คิดเล่นเลยบางทีบาปก็เกิดอยู่นั่นแหละเออเราไปเข้าใจว่ามีขณะมีที่ลับในการทําบาปกั น, นแต่ถ้าหากเราไปเข้าใจตามว่าทําคําสอนบอกว่าในขณะที่เราโกรธหน้าดําตาแดงอยู่เนี่ยนะในขณะนั้นเทพเทวดาทั้งหลายรู้การกระทาเราหมดเลยโอ้ไม่น่ารักเลย บางทีก็รังเกียจตัวเองเหมือนกันนะเนาะบางทีเราไปโกรธวิวิดวิวิวดวาดๆอะไรต่างๆเบบนี่ยเนี่ยแต่พอแล้วตอนหน้าคนเยอะๆเราก็ไม่แสดงออกมาเนาะแต่ที่นายได้ตอนที่เราไปแสดงรับหลังนึกว่าไม่มีใครรู้ท่านพอรู้ทั้งหลายผู้มีตาดีทั้งหลายเห็นการกระทาเราเรียบร้อยเอ๊ะอย่างนี้เขาจท่านจะศรัทธาเราไหยไม่ศรัทธาเลยเนี่ย เ, เราพยายามเจริญกุศลเนี่ยท่านก็รู้เลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปทําความไม่ดีอีกในที่รับอีกก็คือพอไปในที่รับได้จังหวะได้โอกาสก็ไปโกรธไปโกรธอีกนนเนี่ยเราจะมีลักษณะ น, นี้เพราะตอนหน้ากันก็ก็อาจจะไม่ค่อยแสดงที่ปฏิกิริยาที่ไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่ใช่ไหมพอพ อ, พ อ, พ, อพอรับหลังเข้าไปก็เอาแล้วเดวนี้เริ่มเริ่มบ่าปก็เริ่มเกิดขึ้นอะไรั่า ง, งอันเนี้เป็นสิ่งที่ เรายังมีความลับจริงๆแต่พระเจ้าไม่มีนะเป็นผู้ไกลนะพระเจ้าจะไกลาจากคนที่ไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตแล้วก็ไม่อบรมปัญญาแล้วก็ผู้ที่ไม่ละราคะโทสะโมหะพระเจ้าอยู่ไกลนะแล้งคนพิจารณาว่าเออในเราเนี่ยพระเจ้าจะอยู่ไกลเราหรืออยู่ใกล้เราก็พิจารณาง่ายๆอย่างเงี้นะว่าพระเจ้าจะอยู่ไกลมากถ้าราคะโทสะโมหะไหลท่วมทับจิตเ ร, ราอยู่ตลอดเวลาเอางี่นะ ถ้าเรามีราคาโทสะโมหะในจิตใจอยู่ตอนนั้นพุทธเจ้าอยู่ไกลจากเราแน่นอนถ้าต้องการเป็นบุรุษชนและปรารถนาจะได้อยู่ใกล้ชิดกับพทธเจ้าก็จงละราคาโทสะโมหะเสียในขณะนั้นถ้ายังศรัทธาพุทธเจ้าอยู่ใช่ไม้มมีพุทธเจ้าเป็นอารามนาธิบดีจริงๆมีอัธยาศัยที่จะศรัทธาพุทธเจ้าจริงๆนั้นนะ่การกระทาที่มีราคาโทสะโมหะไม่สมควร ไม่สมควรเลยในฐานะที่เราเป็นอุบาสกและอุบาสิกาเป็นต้นอย่างนนะเตือนจิตตัวเองนี้บ่อยๆ อ, อันนี้ก็เป็นเหตุใงการการเข้าถึงได้แล้วก็คนที่ไม่คนที่มีราคะาทสาโมหะจะเป็นคนฉลาดไหมเนี่ยเขาเรียกไม่ฉลาดในธรรมแล้วก็ถึงได้รับการแนะนําในธรรมก็ไม่รับการแนะนํามไม่ไม่จัดว่าเป็นเวไนนะคนที่มีพวกกิเลสหนาหนาแล้วก็มีพวก มีมีลักษณะอกุศลและบาปอกุศลและธรรมที่เกิดในใจตลอดเนี่ยประเภทอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ฉลาดในธรรมไม่รับการแนะนําในธรรมไม่เห็นธรรมของพระริยาเจ้าปฏิบัติผิดด้วยในขณะนั้นชื่อว่าปฏิบัติอยู่ไหมอ่ะในขณะที่ราคาโทรศัทโมหะเกิดขึ้นในใจเนี่ยชื่อว่าการปฏิบัติกําลังเป็นไปอยู่ไหมเป็นไปอยู่เนอะเขาเรียกปฏิบัติผิดอยู่ตอนนั้นเนี่ยเพราะในขณะที่ราคาโทรศัท์โมหะเกิดนี่นะพูดออกมาก็ผิดแล้ว ใช่ไหมเดินก็ผิดแล้วคิดก็ผิดแล้วตอนนั้นเรียกว่าปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบตอนเนี้ยโอ้โหไกลแสนไกลจากพระเจ้าก็คิดดูดิคนละมุมเลยพระเจ้าเลยอพระเจ้าไม่มีกิเลสพระเจ้าปฏิบัติชอบแต่เราไปปฏิบัติผิดเนี่ยใช้คํานึงก็คือปฏิบัติชั่วนั่นเองเพราะราคาโทรศัพท์โมหะไหลรถท่วมทับจิตใจเราอยู่ใช่ไหมมองเห็นใช่ไหมตรงเนี้ยเราจะคนละมุมกับพทะเจ้าเลยเราอยู่นรกแต่พทธเจ้านูนไปสุคติแล้ว เออเราอยู่สุคติจริงนะแต่พระเจ้าไปนิพพานแล้วเพราะเรามีราคะโทสะโมาหะแล้วเราจะไม่มีความสุขเลยนะในชีวิตจริงก็ดูเหมือนมีความสุขไปวันวั น, วนแต่จริงๆไม่มีความสุขเพราะเราอยู่ด้วยราคะเราใช้ราคะใช้ตัวตัณหาใช้ตัวโลภานั้นแทนกุศลนะแทนกุศลเวลาเราจะคิดอะไรเร็วๆตอบโต้อะไรกับใครได้เร็วเราก็ใช้โทสะแทนใช่ไหม เออเวลาจะวางแผนแบบแนบเนียนอะไรต่างๆเราก็ใช้โมหาวางแผนสรุปแล้วก็คือเราเนี่ยปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบอย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่รับการแนะนําเรียนมาขนาดไหนก็ไม่ได้รับการแนะนําไม่รับการแนะ น, นําในธรรมไม่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าใช่ไหมนี่ปฏิบัติผิดไม่ปฏิบัติชอบพระองค์ทรงเป็นผู้อยู่ไกลจากชนเหล่านี้ชนเหล่านั้น่ยเราแบบนี้ เราประเภทที่มีราคาทรสาวโมหะไหลท่วมทับจิตพระเจ้าบอกว่าเกาะชายยีวร อ, อยู่พระเจ้าก็บอกว่าถึงแม้จะเกาะชายยีวอนแต่ฐาคตอยู่ก็ชื่อว่าอยู่ไกลอยู่ไกลมองเห็นนะเกาะเลยนะเข้าไปเกาะเข้าไปกร า, าบเข้าไปสักการะเข้าไปบูชานะแต่ไปด้วยราคาทร์สาวโมหะก็เชื่อว่าอยู่ไกลพระเจ้าบอกดูก่อนว่ากรลีเธอไม่ได้เห็นแต่ฐาคกน ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นนินเลยเธอมีราคะไหลท่วมทับจิตอยู่เธอไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าเธอมีโทสะไหลท่วมทับจิตอยู่เธอไม่เห็นพระพุทธเจ้าเธอมีโมหะไหลท่วมทับจิตอยู่เธอไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าและเธอกําลังปฏิบัติผิดอยู่เธอไม่ปฏิบัติชอบและเธอไม่รับการแนะนําในธรรมใช่ไหมไม่รับการแนะนำเลยนะไม่เห็นธรรมของพระพุทธเจ้าด้วยในกระี้เนะี้ก็จะเห็นได้ยังไงเพราะอากุศลบาปอากุศลและธรรมลามุกอยู่ในจิตเธออยู่อย่างเงี้ย แท้ต้องแกะต้องกระจายบาปออกให้จากจิตให้ได้ก่อนใช่ไหมจากจิตใจก่อนทํากายกรรมวิจีกรรมและโดยเฉพาะมโนกรรมให้สะอาดถึงจะจัดว่าอยู่ใกล้เห็นทำและปฏิบัติชอบและได้รับการแนะนําและคิดว่าอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมบัญญัอย่างเนี้ยทั้งยี่มองเห็นไหมอย่างนี้เป็นต้นวิธีวิธีตึกพุทธคุณไงอันนี้นี่รายละเอียดในการคิด ถ้าไม่มาเจาะไม่มาแคะไม่มามาไข้ควรอย่างนี้เราจะเจริญพุทธคุณไม่เป็นถ้าถ้าขนาดนี้เจริญไม่เป็นก็จะใช้มุมไหนตัวนี้ยจะใช้มุมไหนอันนี้คิดถึงตนเองเลยนะคิดถึงตนเองเป็นประมาณเลยนะถ้าคิดไปไข้ควรไปลักษณะเงี้ยเราเออเราจะรู้ทันทีว่าตอนไหนที่ศรัทธาเป็นไปอยู่อุตอนนี้ใกล้คิดพุทธเจ้าตอนไหนราคะเข้ามาแจกไอตอนนั้นห่างแล้วเงี้ยนะเราก็รีบขจัดออกไป โทรศัพท์เข้ามาเอาอยู่อยู่ห่างพุทเจ้าแล้วก็ขจัดโทรศัพท์ไปเราบางครั้งอยู่ไกลอยู่ไกล้อยู่ไกลอยู่ไกล้กันอย่างเงี้ยนะก็ก็กําลังวิ่งแข่งกันอยู่แต่โดยมากอยู่ไกลมองเห็นอย่างตอนนี้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ก็พยายามต้องใช้คําว่าอัมาใช้หลายคําใช้หลายครั้งต้องพยายามกระเสือกกระสนอยู่ใกล้ให้ได้มือนปลาหมอต้องติ้นหาคลองให้ได้ ต้องดิ้นหาเราก็ต้องดิ้นหาพุทธคุณให้ได้ไม่ใช่รอให้พุทธคุณดิ้นหาเราจะดิ้นได้ไงใช่ไหมพุทธคุณเป็นของใหญ่เป็นของสูงใจของเราต้องน้อมหมาท่านแล้วต้องน้อมไม่ถูกด้วยนะถ้าน้อมไม่ถูกก็ไปเลยเนี้ยไปคนละทิศเลยกลับมาก็ดิฉันเอาบุญมาฝากได้ไมัมยอมยอมสุรีเข้าไปนี่ไปบอกที่บ้านบอกวันนี้ไปฟังธรมไปเจริญพุทธคุณมาเอาบุญมาาก พวกรับบุญเอะใจเหมือนกันนะเมื่อาวานยังกรดๆอยู่เลยวันนี้เอาบุญมาแล้วม่ใช่บุญจริงนนะหรือเปล่าอะไรกันเลยเรื่องมีแผนอะไรใหม่เป็นแผนล็อกสองว่าเลยคิดไปขนาดนั้นใช่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ค่อยไว้ใจกันเลยเรื่องเอาบุญฝากบุญเนี่ยไม่ค่อยไว้ใจก็คือตรงนี้คือว่าเป็นผู้อยู่ใกล้ก็คือว่าผู้ที่อบรมกายเห็นไหมอบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาและผู้ละราคา มีหลายคนก็บอกอาตมาในี่พูดซ้ำพูดซ้ำเข้าใจไหมว่าทำไมมีวัตถุประสงค์ที่จริงจะเดินเรื่องยาวๆไม่มีปัญหาเลยเนี่ยเข้าใจไหมคือคือคือวัตถุประสงค์เนี่ยอันมาต้องการว่าจะทำไงให้คนเจริญนได้คนเอาไปใช้ได้คนไปคิดได้ไปใคร่ครวญได้อนั้นเป็นประเด็น เรื่องการเทศเป็นตามลําดับไม่เคยเป็นประเด็นตรงนี้นสาหรับสําหรับวิธีคิดนะเนาะเพราะว่าเป็นปัญหาจริงเป็นปัญหาจริงในกรณีที่คนเดินไม่ได้คนเดินกรรมาฐานคือเดินพุทธคุณไม่ได้อย่างเงี้เอาไปใช้กันไม่ได้ทั้งๆ้ที่ทททน่าหน้าจะใช้ได้อย่างงี้งั้นถ้าว่าอยู่ ใ, นในกล้ก็คืออบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาพุทธลาลาคาโทสามหาเป็นต้นแล้วเป็นบุคคลที่ฉลาดในธรรมเนะย ฉลาดในธรรมได้รับการแนะนําในธรรมเห็นิษฐธรรมของพระดิญาเจ้าและปฏิบัติชอบด้วยก็หมายความว่าในขณะนั้นไม่มีราคาโทสามโมหะถ้าราคาโทสามโมหะไม่อยู่ในใจใช่ไหมหรือกิเลสอกุศลธรรมรามกไม่มีอยู่ในใจในขณะนั้นแปลว่ามโนเป็นสุจริตแล้วแล้วมโนสุจริตในะกายก็สุจริต ด, ด้วยใช่ไหมคําพูดออกมาก็เป็นสุจริต ด, ด้วยแล้วสุจริตสามเกิดขึ้นแล้วตาปารคพุทธคุณเขาอยู่ใกล้พุทธเจ้าองเงี้ยอยู่ใกล้มากๆากด้วย นี่สิพระพุทธเจ้าก็จะอยู่ใกล้กับบุคคลเหล่านี้แล้วพระพุทธเจ้าจะดึงก็ดึงคนประเภทนี้ถ้าจะปโปรดก็โปรดคนประเภทนี้ถ้าจะสอนก็สอนคนประเภทนี้แหละและบุคคลเหล่านี้ควรแก่การตัดสู้ถ้าพระเจ้าไปหาไกลแสนไกลพระพุทธเจ้าก็จะไปหาขนาดอยู่คนละหลายร้อยยอดพระองค์ก็ไปหาและท่านเหล่านั้นนะถ้ารู้พระเจ้าอยู่หลายร้อยยอดก็ไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยงไม่ได้งอนเลยว่ายอยู่ไกลเลยเกินทำไมอยู่ไกลเลยเกินไม่มี พราะพระุทธเจ้ า, าก็ดีและสาวกของท่านก็ดีเนี่ยแม้อยู่ห่างไกลขนาดไหนอยู่คนละฝากซีกโลกเลยนี่เนียก็ชื่อว่าอยู่ใกล้อยู่คนละภพละภูมิเลยอย่างนี้ก็ชื่อว่าอยู่ใกล้แม้ตอนนี้โดยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของพระบรมศาสตาปรินิพานไปแล้วเห็นไหมกิเลสก็นิพานที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ขันธปรินิพานก็ที่กรุงกุสินาราใช่ไหมสารวโนทยานคู่ ถึงแม้ขนาดนั้นสาวกของท่านได้เห็นธรรมบรรลุธรรมได้รับการแนะนําในธรรมฉลาดในธรรมของวริยะเป็นพระโสดาบันเป็นต้นท่านเหล่านั้นอยู่ใกล้พระพุทธเจ้ากันหมดแล้วไม่เคยทิ้งใช่ไหมตอนนี้อย่างที่เคยกล่าวพุทธคุณ น, นั้นสว่างจ้าในใจของท่านนั้นที่อยู่ทุกภพไม่ว่าในกาลมาภพรพูปภพหรือในอารมณภพเพลงพุทธคุณยังอยู่ในใจของท่านยังกระหึมดังไปหมดเนี่ยนะแต่ในใจของปุุู้ชนคนที่หนาแน่นด้วยกิเลสเท่านั้นแหละ ที่พุทธคุณหรือเพลงพุทธคุณไม่ดังดังดับดังดับอยู่นี่น่ะดังน้อยมากเคยสว่างตื่นขึ้นมาก็ว่าี t v so พระกวานในใจเลยไหมตื่นขึ้นมาถ้าตื่นขึ้นมาปุ๊บนีจิตใจก็น้อมถึงคุณของพระเจ้าเลยโอ้นี่ใช่แล้วใช่ไหมน้อมถึงการว่าเอ๊ะเราจะใส่บาตรเอ๊ะเราจาสมาทานศีลเพื่อเดินตามรอยพระหลาน บูชาคุณของพระเจ้าถ้าใจอย่างนี้มันชัดแล้วใจอย่างเงี้ใครดึงก็ไม่กลับแล้วอย่างนี้แปลว่าท่านเหล่านั้นอยู่ใกลพ้พระเจ้าแล้วเป็นอย่างนี้ไหมจริงจริงโดยชีวิตจริงเป็นแบบนี้ไหมเลยเนี่ยทางเนี่ยทางเนี่ยเริ่มใช้ได้ใช่ไหมถ้าอย่างนี้จิตใจอย่างเงี้น้อมใจน้อมจริงๆน้อมรละลึกจริงๆเพราะอย่างนี้เขามีพุทธคุณแล้วแปลว่า การเชื่อมติดระหว่างตนเองกับพระพุทธเจ้าเนะี่ยเชื่อมติดกันแล้วโอ้ไม่น่าเป็นห่วงเลยน่าเป็นห่วงตัวเองแล้วตอนเนี้ยจะไม่ได้เจออย่างเงี้ยลยส์นี่นี่โล่งใจเลยนะถ้าเจออย่างเงี้ง ย, นะออยสบายใจเลยเพราะว่าเออหน้าที่เนี่ยนะที่ประกาศบอกว่าทำมาเนียขอทําหน้าที่แค่ตรงนี้เพราะว่าถ้าเชื่อมใครติดพระพุทธเจ้าได้เราสบายใจแล้วใช่ไหม เหมือนการเชื่อมเราคิดมาตลอดเลยนะถ้าหนึ่งพันคนที่เคยบอกได้สักสองคนก็โอ้โหพอแล้วใช่ไหติดสองคนแค่นี้พอแล้ ว, อลวเองงี่ร้อยแล้วเท่าไหร่นี่ถ้าพันคนได้สองนี่ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมนั่นแหละอได้สักสองนี่ถือว่าโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วใช่ไหม <c oughs> เพราะอย่างนี้ถือว่าออผ่านเราไปแล้วภูมิใจนะใช่ไห อ, อปุรุชนอย่างเราเราเนี่ยได้ทากิจของผู้ที่นับถือพระผู้เมียพาเจ้าสามารถเชื่อมบุคคลได้ติดกับพระพุทธเจ้าได้และเชื่อมถึงคุณของพระพุทธเจ้าได้โอ้โล่งใจเลยทีนี้เพราะต่อไปพระพุทธเจ้าจะช่วยท่านพระพุทธเจ้าจะช่วยจะดูแลจะบริหารจิตใจ ใช่ไหมเพราะติดแล้วแต่ต้องถามว่าไอ้ที่ติดนะั่น <c oughs> มันคงใช่ไหมเชือกที่มัดติดเยนะพุทธคุณทั้งหลายเนะี่ยมันคงไหมถ้ายิงมั่นคงนะดูแลเรื่อยๆเยะขามันคงโอ้นั่นก็เป็นพลังอย่างแรงในการดือแล้วท่านเหล่านั้นไม่ตกต่ำไม่ตกต่ำ วคนที่คนที่เดินพุทธคุณได้ระดับที่ว่าเชื่อมติดพุทธคุณได้นี่ไม่ตกตำ่ำเป็นธรรมดาด้วยจะไม่ตกตำ่ำถ้ายังหลักรอยอยู่นะยังคิดไม่ค่อยออกอยู่นะโอ้นี่ต้องต้องรีบไปเชื่อมนะยังไงก่อนจะมรณาการเนี่ยนะการเห่งการตายจะมาถึงเนะี่ยถ้ า, ายังเชื่อมพรุทธเจ้าไม่ได้เลยนะเชื่อมตนเองกับพระุทธเจ้าไม่ได้เลยนะเราอยู่ไกลอะ่ะเราอยู่ไกลจากพระพุทธเจ้าแล้วสารณะเราจะขาดอยู่แล้วใช่ไหม จุตติเมื่อไรขาดทันทีแล้วถ้าอทายาสายเราไม่น้อมแรงๆแล้วก็ไปถูกกลมกลืนด้วยลทัทธิประเพณีศาสนาวัฒนธรรมใช่ไหมถ้าในโลกมนุษย์นี่เพราะว่านะอ้าวถ้าไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉา น, ส, านสัตว์นรกก็จบถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างพวกโพธิสัตว์โอ้โหไม่ธรรมดาเลยถึงสาระก็ได้สมาทานศีลก็ได้ใช่ไหม จเจริญเจริญบรารมีระดับปฐมาธาตุบารมีก็ได้แต่เราเป็นอย่างนั้นไหมล่ะถ้าไปเป็นกบจะเป็นกบพระโพธิสัตว์ได้ไหมไม่ได้เลยเนะี่ยก็เป็นกบอยู่ในหม้อ <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> แค่นี้มหมถ้าเป็นปลาก็ไม่ใช่ปลาโพธิสัตว์แน่นอ น, นอย่างเงี้นะตั้งกันไว้เป็นปลาถ้าเป็นปลาโพธิสัตว์คนเห็นปั๊บนี่กินไม่ลงเลย มีแต่เลี้ยงมีแต่รักมีแต่ดูแลอย่างดีใช่ไหมเดี๋ยวควรจะไปเข้าใจหมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้ยุ่งึลยคือจริงๆให้เข้าใจว่าจริงๆถ้าท่านอยู่ในอัตภาพไหนท่านไม่ตกต่ําต้องการอย่างมีแต่คือคุณธรรมท่านสูงเลยนี่เป็นนี้แล้วก็ลาบาประธรรมนะบาปประธรรมทั้งหลายคือราคาโทสะแล้วก็มิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเกิดขึ้นงนํามาแต่ความเสียหายเนี่ยเราเนี่ย ถ้าดูในพุทธคุณบทที่แปดเนี่ยในข้อที่แปดของคําว่าอารหังเนี่ยที่เราเสียหายในปัจจุบันภพและในสัมป라이ยภพนอีกนี่บาปนี่แหละเฉะนั้นถ้าจะรังเกียจจะไปรังเกียจบุคคลที่ต้องการอยากจะชี้พวกเราตรงนี้ก็คือว่าถ้าจะรังเกียจใครสักคนให้รังเกียจกิเลสคือราคาเป็นต้นเนี่ยที่ทําให้สัตว์โลกเหล่านั้นหลงผิดโดยอุปนิสัยเขาไม่อยากผิดหรอก ได้กิเลสนั่นแหละเป็นเหตุทำให้เขาผิดเหมือนเราเห็นคนชั่วคนไม่ดีทั้งหลายนี่นะเป็นว่ากิเลสในใจเขาแต่ถ้าเราไปเห็นโดยความเป็นสัตว์บุคคลเนี่ยเราก็เลยเสียหายเลยจริงๆกิเลสนั่นนะเป็นเหตุทำให้คนชั่วกิเลสนี่แหละเป็นเหตุทำให้เราผิดแล้วผิดเล่ากันอยู่นี่นะฉะนั้นถ้าจะรังเกียจก็รังเกียจบาใช่ไหมถ้าจะไม่ชอบก็ไม่ชอบใจบาป อย่าไปไม่ชอบใจบุคคลแยกให้ออกแยกให้ออกและกิเลสมันก็ไม่ได้เกิดตลอดเวลามันจะได้แยกออกถ้ากิเลสเขาดับตั้งนานแล้วเราก็ยังมาโกรธอะอย่างเงี้ยไม่ถูกใช่ไหมสมมุติว่าไม่พอใจยอมงามพิษเมื่อวานนี้แต่กิเลสที่เกิดขึ้นในใจยอมงามพิษดับไปตั้งนานแล้วแต่พอมาวันนี้คนละใจคนละคนมีเงี้ยแต่เราก็ยังมาโกรธต่อ อันนี้พูดเรื่องการเกลียดบาปเนะว่าละคนละคนแต่การกูนี่ยืมสินน่ะคนเดียวกัน <c oughs> เดียวไปแยกไยออกอะยุ่งเลยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวไม่เข้าใจผิดงเงี๋ยะ ม, มาบอกดีแล้วไอ้คนที่เอาไป <c oughs> คนนั้นมันก็ดับไปแล้ว <c oughs> จะมงั้นก็ไม่ต้องให้เนงงี่ย แต่ไม่ให้เน่ยชาติต่อไปต้อไปตามให้ขันนั้นแหละที่มันสืบต่อไปจากขันนี้มันมันมีคนย่องจังหวะนนี้เหมือนกันเข้าใจว่าบางคนโอ้สบายแล้วเพราะว่าโครงการกู้ชาตินี้ใช้ชาติหน้ามีมันังไม่มีเขาจะโครงการระยะยาวแต่จริงๆไม่ได้ทันใช้หรอกเออไม่ต้องไม่นั่งไม่ต้องจะใช้ไม่ต้องไปบอกว่าใช้หรอก เอาของเขาไปเท่าไหร่เดี็กก็ต้องตามไปให้ครับตามไปให้ครับแต่คนไม่ค่อยรู้ตามกว่าจริงไปคุยคุยกับคนคนหนึ่งก็บอกรู้ที่ท่านพูดเนี่ยแต่ชั้นใจร้อนเนี่ยฉั้นจะเอาเดี๋ยวนี้อา้าวทาไมจะทําไงก็เขาใจร้อนก็คือเขารู้เรื่องบาปเรื่องกรรมเนี่ยเขาทราบที่จริงก็ไม่ทราบหรอกก็ทราบเนี่ยทํ า, ท า, าทไมก็ไม่เห็นเรื่องไปทุกข์ใจอะไรเลย มีคนคนหนึ่งพออธิบายให้ฟังจะบอกเดี๋ยวนี้สบายเลยโอนเลยเห็นไ้มที่โยมเลยบอกเดี๋ยวนี้ไม่ต้องร้อยเขาขอแล้วถึงเวลาถึงเดือนโอนนีนเขาเสร็จบอกก็เลยถามว่ายอมมีกี่รายโคตรลายเดียว <c oughs> อยากเพิ่มอีกตักลายไหมเขาขอแล้ว <c oughs> ไม่อยากเพิ่มถ้าเพิ่มอีกตั้งรายจะได้กระซิปคนละคนเ น, นี่ยคนคนนี้เนี่ยมีพระโพธิสัตว์มาเกิดอีกคนเดี๋ยวมีคนใจเหมือนพโพ ธ, ธิสัตว์ แก้งไปยืมหน่อยสิอะไรพอยืมเสร็จก็ยืมเรื่อยๆนะเขาจะได้เงินใช้ทุกเดือนเนี่ยที่จริงเนี้ยบอกทางบุญนะที่จริงอย่างเงี้งยเขาเรียกบอกทางบุญเดี๋ยวก็คงจะบอกจะบอกท่านอย่าบอกทางบุญมากก็เกินตอนนี้ยอมเริ่มกรอบแล้วเลยถ้ <c oughs> ดีตรงนี้ก็คือ ฉะนั้นถ้าหาก ว, าว่าบาปอากุศลธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจนี่แหละมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าจะเกลียดก็รังเกียดบาปเพราะอะไรการรังเกียดบาปให้ผลดียังไงให้ผลดีตรงที่จะไม่ได้ให้บาปนั้นเกิดขึ้นในใจก็ได้รังเกียจเขาเนีทุกวันนี้เราเราแยกไม่ออกเลยระหว่างบุคคลกับบาปที่เกิดในใจบุคคลเราไปเกลียบบุคคลเนี่ยมันใช้ได้ที่ไหนมันก็ผิดทั้งๆ ท, ท, ที่ผิด ตามพระธรรมคำสอนเพระเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระเจ้าไม่เคยรังเกียจพระเทวทัตไม่เคยรังเกียจนางจินเจมานาวิกาณ์นะไม่เคยรังเกียจนางสุนทลีใช่ไหมโกกาิกาภิโคทั้งหลายแลาเนี่ยชับพักกีทั้งหลายเนี่ยนะที่ภิกษุที่ประพฤติละเมิดพระธรรมวินัยของรบรมศาสดาอริตกาภิกขคเนี่ยไม่ได้รังเกียจท่านแต่รังเกียจบาปอากุศหลหรือมิจฉาทิฐิที่เกิดขึ้นในใจตรงนั้นต่างหากท่านไม่ใช่ต้องการอยากเป็นอย่างนั้น แต่เมื่อกิเลสมันสมลมในจิตใจของผู้ใดแล้วเนี่ยเป็นเหตุให้ท่านผู้นั้นต้องประพฤติผิดนี่เราก็ไปตั้งวิธีคิดตัวว่าท ำ, ทำไมต้องทำไมต้องทำไมต้องเนี่ยก็กิเลสมันเผาลวนใจเขาทำไหมเราตั้งว่าทำไมเขาเป็นเพชฌฆาตเอาก็กิเลสเนี่ยในใจของเขาเนี่ยเป็นเหตุทำให้เขาเป็น ทำไมเขาเป็นมหาโจรกิเลสในใจทําให้เขาเป็นมหาโจรทําไมเขาเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็ น, นกิเลสในใจทําให้เขาเป็นอย่างนี้เป็นต้นถ้าเรารู้อย่างนี้รือบุญกุศลต่างๆวิธีคิดต่างเหล่านี้ยมันจะได้กว้างขึ้นและจะได้ไม่รังเกียจบุคคลเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยน่ากรุณาเหมือนกันหมดแล ะ, จะเจริญเมตตาได้เหมือนกันหมด ท, ทุกๆอารมณ์เนี่ยสามารถที่จะเอามามาบริหารในการคิดเห็นไหมนี่ถ้าเข้าใจพุตธคุณตรงนี้เสียเนี่ย เราจะเข้าใจมิติอีกหลายมิติในโลกใบนี้ว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะกิเลสทั้งหลายที่เผาร้นจิตของสัตว์อย่างนี่ยทีนี้บาปอกศุศลธรรมมีราคาโทสะมัวหะมานาทิฐีทั้งหลายโทจริตทั้งหลายที่เกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นก็นํามาซึ่งความเสียหายมันไม่ได้บาปเกิดกับท่านผู้ใดไม่ได้นําความเสียหายไปอีกคนหนึงคนหนึ่งนะมันเผาะกระแสขันของท่านผู้นั้นแหละ ให้วิบัติในปัจจุบันนพบนี้ด้วยแล้วก็ในสัมปรายภพก็ไม่ได้ดิบได้ดีด้วยเกี่ยวกับนิพพานไม่ต้องพูดพบนี้กับพบหน้าก็เดือดร้อนตายอยู่แล้วไอ้บางทีเรามองคนไม่ถูกก็ไปซ้ําเติมใช่ไหมไปคิดซ้ําเติมเขาเราเลยพลอยไปทําบาปกับเขาสิเสียเล ย, ดยเดี๋ยวนี้เราโดนกิเลสเล่นงานไม่รู้ตัวอีกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยก็ ถ้าเราศึกษาพระเจ้าคุณเนี่ยเราจะไม่เราจะเห็นใจเขามากเวลาเห็นคนบาปเนี่ยเราจะเห็นใจเขามากว่าโอ้โหเพราะบาปอกุศลและทำอลามกได้แท้ทําให้เขาต้องพิกลพิการเี่ยเราเห็นคนพิกลพิการเนี่ยเราก็รู้ว่ามาจากบาปแล้วเห็นสัตย์เดชะเนี่ยถูกกาลังถูกเชือดเนี่ยเราก็รู้ว่ามาจากบาปกุศลถ้าเราระลึกชาติได้ว่าเห็นพ่อเห็นเขากําลังจะเชือดคอพ่ออยู่เราทําใจไง เห็นคนกำลังจะเชือดคอแม่อยู่เราทําใจยังไงหรือลูกที่เราลักมากที่เขาเชือดเนี่ยเราจะทาใจยังไงทนไหวไหมแล้วทนไม่ไหวใช่ไหมนั่นไงอดีตพ่อแม่พี่น้องเราทั้งนั้นเลยที่กําลังถูกทุบกันร้องกันนี่จ้าระวัดในโรงฆ้าสัตว์เนี้ยอันที่กําลังถูกแห่ถูกอวนดักลากอยู่ดินทุรนทุรายช่วยด้วยช่วยด้วย ถ้าเราคิดเป็นเนี่ยนะมันจะได้กรุณาอีกเยอะใช่ไหมใช่พระโพธิสัตว์ท่านคิดมุมนี้ออกไลยท่านคิดออกแต่เราคิดไม่ออกอะไรลราทําให้เราคิดไม่ออกโมหะมันปิดสัตว์โลกไอ้ถูกโมหะปิดถูกมิจฉาทิฏฐินั่นเป็นธรรมวิชัยมันก็ปิดก็คิดไม่ออกคิดไงก็คิดไม่ออกมันก็คิดแค่เราตัวเราของเราเพื่อนเราญาติก็อยู่แค่ตรงนี้วนคิดตรงนี้ก็ยังผิดด้วยนะก็ยังคิดไม่ถูกอีกนะ นี่คือคือต้องการอยากจะหเห็นว่าโอ้ยในเวลาบาดบกุศลและทํารรทั้งหลายเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันทําความวิบัติในทิฏฐธรรมแล้วก็สัมปรายะคือทิฏฐธรรมมากก็คือในพบนี้สัมปรายะ ก, ก็คือพบหน้าเนี่ยทําความเสียหายหมดเลยอะ่ะเออทามาพิจารณาอย่างนี้เราจะได้เห็นว่าโอ้โหเป็นอย่างนั้นจริงจรงสัตว์โลกนี่มันระงมด้วยพิษไขยย้จริงเนี่ยอันนี้ไงคือโทุกษัตริย์ที่พระโพธิสัตว์ท่านเห็นแต่ท่านเข้าใจแล้ว นานๆจะมีคนเข้าใจท่านเนะี่ยคนที่มาศึกษาวิธีทำของท่านเนะี่ยนานๆมากที่จะมีคนเข้าใจว่าจะเข้าใจสักนิดนึงเนี่ยนะสักเท่าทุลีที่ท่านคิดเป็นเนะี่ยนานๆจะมีสัตว์โลกหรือว่าพุทธบริษัททุกคนจะเข้าใจพระพุทธเจ้าท่านเข้าใจสัตว์อย่างนี้โอ้โหหลายสัตว์วัดนะกว่าจะมีคนเข้าใจเพราะพุทธที่สารว่าท่านคิดถึงท่านอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็ปกติแล้วเราเห็นเป็ดเห็นไก่ เห็นช่างมาวัวควายเราเห็นแล้วห็นคิดอะไรมากเลยเห็นนกร้องเผือเราก็เพราะเพราะบางชอบบางอะไรต่างตก็แล้วแต่ก็ไปกันอยู่อย่างเงี้ยสัตว์โลกถูกโมหะครอบงําำยิ่งๆก็แปลว่าอะไรเราถูกปกครองด้วยโมหะอย่างยาวนานนั่นแหละโมหะปกครองมาอย่างยาวนานแล้วแล้วก็มีอามาตคู่ใจก็คือมิจฉาทิฏฐินั่นแหละเป็นธรรมวิชัยก็วิ่งกันไหมในภพน้อยภพใหญ่เนี่ยนะ และเป็นค่าศึกต่อปฏิบัติทางให้บรรลุถึงนิพพานใช่ไหมสิ่งต่างๆเราเนี้ยพวกราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิทั้งหลายเราเนี้ยเป็นค่าศึกเป็นค่าศึกมากทําให้เสียหายในปัจจุบันเนี่พบไหมเสียหายในสัมปร이ยพพบเสียหายเสียหายแล้วเป็นปฏิปักษ์ต่อการบรรลุพระนิพพานด้วยเป็นปฏิปักษ์อย่างรุนแรงเลยมันคนละทางกันเลยคําว่าปฏิปักษ์นี่นะซ้ายกับขวาดํากับขาวยาวกับสัน้น ม, มันคนละมุมกันเลยครับ mm. ว่าปฏิบักษ์ไหนต้องเข้าใจอย่างนั้นโทสะเนี่ยเป็นปฏิบักษต่อเมตตาเห็นชัดใช่ไหมโมหะเป็นปฏิบัติต่อปัญญาเ mm. ห็นชัด mm. ใช่ไหมอย่างเงี้ยลักษณะอย่างเงี้ยนะเั้นเค้าบอกว่าเออถ้าโทสะเป็นปฏิบักษต่อเมตตาความโลภเป็นปฏิบักษต่อการให้ทานหรือความไม่โลภเนี่ยแล้วก็โมหะเป็นปฏิบัติต่อปัญญาพระนิพพานก็เป็นปฏิบักษต่อกิเลสทั้งหลายคือราคะเป็นต้นใช่ไหม มันคนละมุมปฏิปทาหนทางโดยแล้วเนี่ยอย่างเราเนี่ยต้องแสวงหาทางก่อนนะอย่างเราต้องแสวงหาทางพอแสวงหาทางเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยตัวอาริยมรรคก็แสวงหาวานิพันนี่เรายังไม่ได้ขึ้นบนเรือคืออาริยมรรคได้เลยคือมรรคคือสิกขาสามได้เลยสิกขาสามถึงจะเดินเป็นวานิพานธ์อย่างทีเราต้องเล่นสองต่อเลยใช่ไหมต่อแรกคือตอนนี้เราหาทางก่อนที่พระเจ้าบอกไว้แล้วนี่แหละแต่เราไม่ได้หาในคําสอนไงเราไปหาที่อื่นก็ว่ากันไป ไปเจอในคําสอนเบ็เสร็จอันนี้ทางพอรู้จักทางรู้จักเรือเบ็เสร็จแล้วการประกอบเรือต้องเป็นอยูการประกอบเรือเป็นแล้วเบ็เสร็จแล้วยังขับเรืออยู่ตรงนี้โอ้โหปปัญหา ม, มากการจะเดินสิกขาสามในชีวิตจริงเนี่ยมันยังง่ายเลยนะใช่ไหมใช่อเดินยังไงให้มีศีลให้มีสมาธิให้มีปัญญาตทำไมนั่งถามกันอยู่นั่นแหละเข้าใจใช่ไมก็อบอกวเราเดินปฏิบัติทาที่ผ่านมาเราเดินอีกมุมนึ่งเราเดินแบบคนไม่มีศีล ใช่ไหมก็เดินกันอย่างยาวนานมาแล้วนี่แหละใช้อัตภาพเปืองสรุปก็คก็สรีล่ยนี่พังไปหลายร้อยหลายพันคันแล้วแล้วคันนี้ก็ใช้ยังจะพังอยู่เลยนี่ยังเปลี่ยนคนขับแล้วเปลี่ยนคนขับอีกไม่เคยถูกใจแล้วได้คนขับไป ย, ยังยอมพิสได้หรือยังได้หรือยังสรีล่ยนที่ก้าวไปแต่กระครั้งพูดไปแต่ะคำคิดแต่แต่หน่วยความคิด เปลี่ยนคนขับใหม่หรือยังหรือยังใช้คนเดิมอยู่เนี่ยตรงนี้ต้องไปตามไปดูที่ว่าใช้คนเดิมอยู่ไหมถ้าใช้คนเดิมก็ปดระวางได้แล้วบอกเลิกจ้างแล้วคนคนนี้โอ้ใช้มาจนใช่ไหมจะปดระวางอยู่แล้วเนี่ยบอกโ อ, โอ้เล่นจะเรือเราจะพังหมดแล้วว่างั้นเปลี่ยนคนขับใหม่พูดเหมือนง่ายเนาะใช้คนใช้คนใหม่ก็ไม่ค่อยคล่องแค่ว พอเพอๆหน่อยต้องการความรวดเร็วออกมาหน่อยดีมามาช่วยหน่อยก้อนนี้ไม่คล่องเลยว่าเงี้นนะประการที่เก้าก็คือว่าท่านผู้รู้ไม่ละเว้นเนะคือพระอรหรันต์เกี้นาศบไม่ละเว้นพระพุทธ เ, เจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าก็จะไม่ละเว้นบุคคลเหล่านั้นประการที่สิบก็คือพระเจ้าไม่เป็นไม่ไปในภพทั้งหลายพระเจ้าไม่ไปในการปพบลูประพบแล้วลูปรพบแล้วเนาะแล้วก็ เขเอิสระจริงนะคนที่ยังไปในภพทั้งหลายก็าเรียกคนไม่อิสระอย่างเราก็เป็นคนไม่อิสระเนาะสิบเอ็ดก็เป็นผู้ควรควรต่ออะไรควรต่อการสรรเสริญโอ้โหตอนนี้เอาแล้วทนินก็ไปนั่งพิจารณาดูเนาะใครโนาะที่จะควรสรรเสริญเท่าพระเจ้าไม่มีเลยอสรรเสริญคนอื่นไม่เยอะแล้วต่อไปคนอื่นก็สรรเสริญเราก็เยอะเหมือนกันเนาะ แล้วก็สรรเสริญท่านมาเยอะท่านก็สรรเสริญเราต่างๆเหมือสรรเสริญไปสรรเสริญกันมาเนี่ยฉะนั้นคำว่าเป็นผู้ควรสรรเสริญ น, นะควรแก่สการะบูชาอย่างวิเศษด้วยนะควรแก่การสารรเสริญเป็นต้นด้วยพระพุทธเจ้านั้นเป็นบุคคลที่ควรสรรเสริญอย่างยิ่งเพราะว่าตรงเนี้ยที่ที่กล่าวไปแล้วครั้งหนึ่งที่บอกว่า อารหังเนี่ยนะเป็นผู้ควรแก่การสรรเสริญนักคิดอักษรทั้งหลายก็ภาลนาอาระหะศัพท์โดยความหมายว่าสรรเสริญนะก็ความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ควรสรรเสริญเพราะพระองค์บรรลุแล้วซึ่งคุณตามความเป็นจริงบรรลุสัพพัญญุตยานตามความเป็นจริงอนนาวัณณายา น, นะอาศาตนาญาณหกตามความเป็นจริงแล้วก็พุทธยานสิบสี่เวนิกระทธรรมสบปดก็เกี่ยวกันในเรื่องของทศพลยานสิบเวสาระชะยานสี่เป็นต้น พระวงค์บรู้แล้วซึ่งพระคุณตามความเป็นจริงและพระคุณของพระพุทธเจ้าเจ้านั้นไม่สาธารณะแก่บุคคลอื่นก็แปลว่าในบุคคลอื่นไปคิดไม่มีแต่มีอยู่ในพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะนะทรงประดิสถานอยู่ด้วยดีในโลกพร้อมทั้งเทวดาอย่างนั้นแล้วะพระพุทธเจ้านั้นก็จำแนกถ้าเราจำแนกคุณของพระพุทธเจ้าบอกเป็นผู้ไม่มีใครเสมอนะด้วยศีลคุณสมาธิคุณปัญญาคุณวิมุตติคุณวิมุตติญาณทัศนคุณ ถ้านในพระพิธรรมเนี่ยท่านจะใช้ศัพท์ว่าเพิ่งนึกออกตอนนี้ใช้คําว่าอตุละใช่ไหมอตุลังอะ่ะแปลว่าอะไรนะหาพู้เปรียบปรานไม่ได้คือจเจ้าบุคคลมาเปรียบเทียบพื่อเจ้าโดยฐานะโดยศีลไม่ได้เอาบารมีสิบ อ, อุปปรารมีสิบปรมามัฏฐบารมีสิบเนี่ยเอามาเทียบไม่ได้เลยลองดูที่อที่บรรดาผู้ให้ทานทั้งหลายอ่ะใช่ไหม ธรรดาผู้ให้ทานทั้งหลายเนี่ยถามว่าพระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยให้ทานก็ถือว่ามากนะแต่ไม่เท่าทานของพระเจ้าอย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะการให้ของพระเจ้าเนี่ยฉันถึงบอกว่าถ้าพูดถึงการให้ในที่บอกว่าเมื่อที่พูดพูดแล้วเนี่ยหลายๆคนมองมองยากเหมือนกันนะบอกว่าเลือดให้มากกว่าน้ําในมหาสมุทรดวงตามากกว่าดาวบนทองฟ้างศีรษะมากกว่าผลมะม่วงในชมพูทวีทั้งหมด อย่างนี้นะให้สีดาให้เนื้อและเลือดเนี่ยมากกว่าเขาคุ้นเขาสิเนรุเนี่ยนะเออให้ให้เนื้อตัดเนื้อให้เป็นทานเนี่ยเนะี่ยโอ้โหเออให้โดดให้ให้คนกินเนี่ยยกตัวอย่างเดียวนะแต่โดดหรือชำแหละเนื้อให้คนอื่นกินมาย่างเนื้อให้คนอื่นกินมาไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยนะ น, นี่ไม่ธรรมดาอย่างเราน่าจะไม่ค่อยมีอธัธยาศัยพวกนี้เลยนะเนี่คิดยังไม่กล้าไม่เคยคิดเลยใช่ไหม เคยไหมอ่อวันหนึ่งเราจะให้เราจะให้สรีระเปน็นทางใช่ไหมขนาดคิดยังไม่เคยคิดเลยเนาะเอาเคยไหมโอ้ยเราอยากจะควักดวงตาให้คนนั้นจะให้เขาตาบอดเคยคิดไหมอ่ะอยากจะตัดหัวใจให้ตัดไตให้อะไรเงี้ยเคยคิดไหมคิดเองเลยอ่ะอย่างเราขนาดอ่านตำรากระตุ้นเดือนอ่านคําสอนกระตุ้นเดือนนะยังดีลือ้อดีลื้อกันอยู่เนี่ย น, นะ ไปนั่งหมุนทั้งหลายรอบเนะืกว่าจให้อะไรได้กันเนี่ยขนาดแค่จะไปให้เลือดเลบางคนเนี่ยตั้งใจเต็มที่ไปนอนชักครับเข็มเขียนมาแล้วนี่เป็นพระเลยนะไปบริจาคเลือดกันโอ้เนี่ยพอพออ่านถึงพุทธคุณกันเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วโอ้โหตื่นเต้นมากตอนนั้นนะไปถึงเอาไปกันเป็นแถวไปที่โรงพยาบาลพอหมอมาเสียบพระองค์ชักไปลม้มจนแล้วองค์ที่ชวนเขาไปแล้ ว, ไ ป, ลวไปก่อนเขาจนแล้วเหมือ่เล่นในเราชักใจไม่ค่อยดีเหมือนกันตอนนั้น ก็ไม่เคยครั้งแรกเลยนะไปเจอเข็มเขาแหมรูทาไมใหญ่เหลือเกินถ้ารู้ว่าจะต้องมาปอกเลือดเข็มใหญ่ๆอย่างนี้จะบริจาคให้หมดตัวไปทั้งนั้นใช่ไหมตอนที่ตอนตอนรักษาโอต้องมาฟอกเลือดทียเข็ยมยิงใหญ่นึกในใจโอ้โหถ้าบริจาคเลือดได้จแจวเลยเนะนี่ยแม่แค่คิดยังจะเป็นลมบมงคนะแค่ให้เลือดเนีกยก็่ายให้แบบถูกวิธีด้วยนะ ไม่ใช่ให้อย่างพระโพธิสัตว์ให้พระโพธิสัตว์ให้เนี่ยเขามาขอดวงตานี่แกะให้เดียวนั้นเลยใช้ไม้ใช้มีดใช้เหล็กใช้เล็บแทงเข้าไปแกะดึงให้เลยเงนี้แล้วก็ให้หมอมาต่อใส่อีกคนๆนหนึ่งโอ้โหน่าสวอเสียวแท้ใช่ัหยให้แบบยินดีอ่ะอือเราเวลาจะไปผ่าตัดแต่ละทีถามหมอเจ็บไหมหวงเหลือเกินเนียนะ ถามหมอเจ็บไหมแล้วไม่หมอมไม่เจ็บนะบางทีที่แรกนะหมอก็มาถามถามวตอนผาตัดยังไงหมอถามอะไรมามบ้างถามว่ากลัวเจ็บไหมก็ไม่กลัวอกวอกไม่กลัวเคยไหมบอกไม่เคยตอนนี้ก็ย้อนถามแล้วหมอว่าเจ็บไม่เจ็บหรอกท่านเหมือนยุ่งตัดเนะีวะไอ้อ เหมือนยุงกัดเย่ยุงกัดก็ไม่เจ็บใช่ไหมพอผ่าไปแล้วรู้ไม่ใช่ยุงกัดแล้วย่างงี้ไม่ใช่ยุงแล้วที่พอยุงเลยนี่ผ่าเข้าไปพอขนาดว่าเสร็จมาตั้งเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วยังปวดอยู่เลยก็ก็เจ็บกันขนาดนั้นก็ไม่เห็นทุกไม่เห็นทุก เพะหมอไม่เคยเทศอริยศาสตร์เทศฟังมาถึงเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านนะท่านมาถึงก็พูดอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวก็ได้กลับเดี๋ยวก็ได้กลับบางทีไปพูดขนาดคนใกล้ตา ย, ยก็พูดอย่างเงี้ยหมอตั้งแต่นั้นเลยรู้แล้วโอนี่เป็นคำพูดไปธรรมดาของหมอเองคือเป็นสูตรของหมอเลยเอะทําใจให้สบายนะเดี๋ยวก็ได้กลับอจะตายอยู่แล้วนะพราอยู่ต่อมากได้กลับตายไปสิกแล้วตายไปสิกแล้วอยู่อย่างนั้นแหละ หมออันนี้ฉะนั้นคําพูดของหมอเนี่ยเขาเขาจะเรียนมาก็าจะพูดตามเขาเนีน่พูด เ, เจอคนไข้มาวันนึงไม่รู้เท่าไหร่บางทีไปถามหมออีกคนหนึ่งก็บอกวันหนึ่งเนี่ยก็ผ่าตัดไม่รู้เท่าไหร่เลยเนี่ยก็จําไม่ได้เลยบางทีผ่าตัดจําหน้าคนไข้ได้ไม่ได้เลยไอ้พวกบรรดาญาติหมอทั้งหลายเนี่ยเขาก็มาคือปุ๊ปบปั๊ปบปุ๊บปับ๊บก็ให้พวกไอ้นิสิตแพทย์ทั้งหลายผ่ากนันได้ตัวเองคอยกํากับดูแลอะไรต่างๆบอกโน่นบอกนี้ บางทีบอกพระบางทีไปนิสิตผ่าพลาดบ้างแล้วมันก็ว่ากันไปแล้วก็เออดีเกินก็ลองลองลองเชิดลงค่ากันดีดีนึกใช่ไหมบางทีก็ดียินเสียงร้องบางทีก็ไปจ่อคิวกันนี่รอปุ๊บปุ๊๊๊เป็นแถวเลยนะเลียงปุ๊บปุ๊บป๊๊มัเยอะอย่างโรงพาบาลใหญ่ๆนี่นะนอนรอโหดเหลียวไปนี่สมาชิกเราเยอะเหลือเกินนี่ก็หมาคนเดียวเนี่ยเยอะเกินเนี่ยบางคนก็แกล้งกระซิบถามคนใกล้ๆเป็นไงคนจันทรปุ๊บปุ๊๊บเลยนะ ได้ไหมผู้หญิงยังไหนเล้วกูอ่ะเขาบางคนกันนู่นมาเลงบางอะไราสารพัดก็ว่ากันไปสารพัดโลกแล้วนึกใน ใ, นใจโอ้โหนี่มันนี่หม่มันเจ้าพ่อทุกมาอยู่แถวนี้เองนี่นึกในใจมองไปที่ไหนก็ถูกผ้าคุมคุมคุมคุ ม, ค, ม, ค, ม, ค, มคุมกันหมดเนี้ยนะนี่ก็โหไม่เช่นน้อยเลยนึกว่าที่แรกนึกว่าไ้เรามีเครีเดียวแล้วมันที่ไหนได้เต็มไปหมดถ้าอยากเห็นก็ลองผ ล, ลองบาดเจ็บดูดี มันจะเห็นเดี๋ยวกเขาจะเรียงก็ไปเข้าโรงพยาบาลอย่างเนี้ยอย่างจุฬาอย่างซีรีส่าก็เข้าไปห้องผ่าตัดทวเยอะแยะหมดเขาจนเขาไม่สะทกสถานกันแล้วเนี่ยพกแพทย์พวกหมอเรื่องปกติคุยกันสนุกสนานเปิดเพลงปังด้วยซ้ำเป็นเรื่องธรรมดาเขาเลยใช่ไหมจะผ่าจะตัดจะตายก็เรื่องคุนเนี่ยอาการโรคแค่ไหนเราผ่าให้แค่นั้น เศรษฐกิจของเราแล้วคุณก็ไปรักษาดูแลกันก็ว่ากันไปโอ้โลกนี้น่ากลัวแท้ชาติทุกชรลาทุกพยาธิทุกก็นี่บอกอันนี้ที่จริงมาเล่าเรื่องเก่าให้คนมีประสบการณ์ฟังกันทั้งนั้นเนี่ยเราทั้งหลายถูกตัดถูกตอนกันมาเยอะแยะหมดเลยในสังสารวัตรเนาะนี่ก็เพอมันลืมกันก็เลยมานั่งเฝอใหอนมาได้เป็นผู้โดนเชือดกอด้วยนะ ท่านทั mind, ้งหลายที่จะโดนกันต่อไปก็ก็ก็ต้องวางจิตกันให้เป็นเนะมี้วถ้ามีอวไกถ้าใครยังไม่โดนปัจจุบันในพรนี้โอ้บุญแล้วเจริญกุศลเยอะๆเจริญกุศลเยอะๆใช่ไหมแต่มันก็นั่นแหละที่สุดจริงๆก็ตายนะแล้วผ่าไม่มีใครผ่านด่านเหล่านี้ไปได้หมดเลยเนี่ยนะนอกจากพระหลังฮันทั้งหลายท่านปริณี่พ่านแล้วท่านโง่สบายแล้วพระเจ้าโอ้โหท่านแสนจะสบายสงบเย็นด้วยใช่ไหม ท่านไม่ต้องมาทรมารอย่างเราพระอรหันตสาวกทั้งหลายภาษาลิบุตรเป็นไงตอนเนี้ยท่านเจ็บปวดตอนครั้งสุดท้ายนะแล้วต่อมาท่านก็เย็นสงบแล้วท่านไม่ต้องมาร้องควนครางอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราต่างหากต้องเล่นควนขวายจริงๆริงมรณะภัยใกล้เข้ามาแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยนั่งกันอยู่ตายแล้วเดี๋ยวกลับไปก็คอยฟังข่าวกันอยู่เลยตอนนี้เนี่ย <laughs> เสียงโทรศัพท์ที่ไรสะดุงทุกทีเลยข่าวไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหม บางขาวเฮ้ย ใ, ใครจะไปอีกเนะอะไรี้มัน <ga> ตีมจ่อมาเต็มหมดเลยอะ่ะใช่ไหมอา้าวตายแล้วอ้าวตายแล้วกันไปงานศพคนอื่นกันเป็นว่าเล่นหมดแล้วตอนนี้รู้จักกันมาบ้ายไปไปมองๆกันหน่อยอก็แค่ตรงนั้นเลไปดูซากกันเนี่ยนะตั้งตั้งทีงงง่โอ้โหต้อ ง, งรีบเร่งรีบเร่งรีบเร่งกันเลยขนาดนั้นเลยนะยมรีนะไม่ใช่ธรรมดาแลยจอ่อเขาเรียกว่าหายใจลดจนคอตามภาษานักกีฬา ก็มันวิ่งจาะเข้ามาติดติดติติดแล้วในหยุดแล้วมันแซงเลยมันมาทันทันทีนะพอหยุดปั๊บเพียงหยุดหายใจนิดเดียวมันวิ่งทันนะเนี่ยตอนนี้เราวิ่งหนีความตายขนาดนั้นเลยนะมันหายใจลดต้นคอเลยโดยสํานวนเคยคิดแบบนั้นไหมย่ังนอนสบายใจกันอยู่หรือเปล่าเนี่ยยังสบายโอ้อย่างนั้นยังมีก็ตรงนี้ก็พยาเม้นคุณของพระเจ้านะว่าพระเจ้านั้นหาหุวคนเสมอเหมือนไม่ได้เป็นอัตุระนะ อตุลังน่ยหาผู้มีส่วนเปรียบก็ไม่ได้เป็นบุคคลที่ไม่มีใครเปรียบเทียบได้ด้วยศีลที่ยอดเยี่ยมสมาธิที่ยอดเยี่ยมปัญญาที่ยอดเยี่ยมวิมุติยอดเยี่ยมแล้วก็วิมุตติยานทัศนะที่ยอดเยี่ยมทรงเป็นผู้ที่อันบุรุษผู้เป็นบัณฑิตทั้งหลายแล้วก็ทวยเทพพรหมทั้งหลายหรือว่าพระพุทธเจ้านี่ยไม่พึงสามารถได้กล่าวจบลงได้ตรงนี้ท่านประาบอกว่าถ้าจะสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าเอาพระพุทธเจ้าด้วยกันดีกว่ามาสรรเสริญ บอกว่ากับนี้สิ้นไปแต่คุณของพรธเจ้านั้นก็ยังไม่หมดสิ้นนะนะท่านเลยพันธ์คาถาเขาไว้เลยคุณเนหิสติโสนาทียาสมาโลเกสะเทวเกตัสมาปัสสิยตาปีอาระหังทวีปทุตโมบอกว่าเพราะเหตุที่ พระบรมศาสดาหรือพระผู้มีพระภาคไม่มีบุคคลอื่นที่เสมอเหมือนได้คุณทั้งหลายเลยเนี่ยไม่ว่าบุคคลนั้นจะอยู่ในโลกนี้หรือโลกของเทวดาหรือโลกของพรหมเพราะฉะนั้นพระองค์จึงเป็นบุคคลผู้สูงสุดกว่าสัตว์สองเท้าเนาะจึงได้นามว่าอรหังแม้ความที่พระองค์เป็นผู้ควรสรรเสริญด้วยประการดังกล่าวมานี้ก็ดังที่ได้กล่าวนะในพระอัจริยอาจารย์ท่านพรนารณาไว้ห้าดีกาก็มา เพิ่มอีก6รวมเป็น11ความหมายของคำว่าอรหังท่านสาธุชนทั้งหลายปรารถนาจะเจริญพุทธานุสติก็ระลึกในบทของอรหันตคุณเหล่านี้นะมาตามระลึกตั้งแต่บทแรกยันบทสุดท้ายเพื่อจะได้เป็นอาหารและเป็นปัจจัยแกการยังสัตทินซีให้แข็งแรงเนาะเมื่อสัตทินซีแข็งแรงหรือตั้งมั่นแล้วศรัทธานั้นก็จะเป็นปัจจัยแกวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญา เมื่อบ่มเพาะอินทรีย์ได้แข็งแรงได้ชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นปัจจัยในการทําให้จิตนั้นสงบจากบาปอากุศลแลรทำมลามกและในที่สุดจริงๆก็เอากระแสของอุปจารสมาธิเหล่านั้นและธรรมที่เกิดร่วมกันกับอุปจารสมาธินั่นแหละเอามาไข้ควรเอามาพิจารณาก็จะเห็นปัจจตาลักษณะของนามธรรมและก็รูปธรรมทั้งหลาย แล้วก็พิจารณาดูเหตุปัจจัยว่านามธรรมเหล่านี้อาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นนะทั้งปัจจัยของเขาที่เกิดพร้อมกันไม่ว่าจะด้านของสาชาตะสชาชาตะนิสยาศาสชาตัดีศาชาต า, าตวิคตะใช่ไหมและในบรรดานามาธรรมเหล่านี้ก็อาศัยหัทิยวัตถุเกิดขึ้นด้วยเป็นไปในส่วนของอัญญามัญญะด้วยสหาชาตะนิสยะและยังเป็นอัญญามัญญะปัจจัยนะแก่หัทิยวัตถุทั้งหลายที่เขาไปเกิดร่วมเป็นต้นเหล่านี้ด้วย และยังเป็นสาชาตวิประยุติตะเป็นต้นเหล่านี้เราก็จะเห็นความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของรูปของนามที่เป็นไปในปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็เชื่อมยองว่าขันห้าเหล่านี้มีอวิชาตัญหากรรมในอดีตเป็นปัจจัยนอะอันนั้นโดยโดยความเป็นอุปนิสยปัจจัยนะว่าโอ้รูปธรรมมือหาทยะวัตถุก็ดีมหาพูธรูปที่เกิดจากกรรมเป็นต้นก็ดีการัชกายเป็นต้นที่เกิดจากกรรมเป็นต้นก็ดีเนอะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ตลอดถึ ง, างนามรทำทั้งหลายคือเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารแลขันธ์และวิญญาณขันธ์ที่กําลังปราบพุทธคุณคือคุณของพระผู้มีลภาคเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยนะเออกลุ่มนามรรมต่างๆเหล่านี้ยเขามีคุณของพระผู้มีลภาคเจ้าเป็นอารมณ์แต่กลุ่มนามธรรมเหล่านี้เป็นนามาขันธ์สี่บวกกับรูปธรรมอีกหนึ่งคือหาทแยวัตถุแล้วก็มหาพุทรูปเป็นต้นตลอดถึงการจักรกายทั้งหลายที่เกิดขึ้นจะกรรมเป็นปัจจัยอ๋อเกิดขึ้นจากกรรมแน่ดีเนาะ กุศลกรรมนะในอดีตเป็นปัจจัยในบรรดากุศลกรรมในอดีตเป็นปัจจัยนะั้นมีตัณหาเป็นอัธยาศัยอยู่มีอวิชชาปกคลุมอยู่อ๋ออวิชชาตัณหากรรมนี่เป็นปัจจัยในอดีตของขันห้าที่กําลังเป็นไปในปัจจุบันพบด้วยอาการอย่างนี้เห็นโดยความเป็นปัจจัยจนชัดแจ้งเนาะ เห็นแล้วแล้วเราเล่าเห็นเสมอเสมอเห็นบ่อยบ่อยบ่ อ, บ อ, บอเนี่ยใครควรพิจารณาเห็นความสืบต่อกันระหว่างปัจจุบันพบกับอดีตแพบบอกอาวิชาตันหกรรมในอดีตเป็นกรรมปัจจัยในอดีตเนาะเป็นอุปนิสัยปัจจัยในอดีตให้กับรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่กำลังเป็นไปอยู่ในปัจจุบันพบนี้ขันเหล่านี้เกิดจากกุศลกรรม กุศลกรรมเหล่านี้มีตันหาคอยแวดล้อมอยู่มีอวิชชาคอยปกคลุมอยู่ทำให้สัตว์ทั้งหลายนั้นทำกรรมเพื่อปราธนารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะเออในปัจจุบันนะพบก็เป็นอย่างนี้แม้ในอดีตก็เคยมาก็เป็นแบบเนี้ย แม้ในอนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ขันทั้งที่เป็นในอดีต ท, ทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นอนาคตล้วนแต่มีอวิชชาตันหากรรมทั้งนั้นเป็นปัจจัยและอวิชชาตันหากรรมนี้เมื่อไหร่มันจะหมดลงอย่างอย่างเด็ดขาดนาะอ๋อมันจ ะ, จะมันจะหมดลงด้วยอารหธรรคะนะถ้าตราบใดไม่มีอารหธรรมะนะหักกรรมแห่งสังสาระจักที่ในบทข้องคําว่าละหังเนี่ยไหมที่ในคําว่าเออเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสาระจักได้ ถ้าไม่มีอรหัตตะมักตัวนั้นไปหักนี่นะตัวรูปนามขันห้าที่เป็นผลของอวิชชาตันหากรรมในอดีตมันก็จะหมุนไปในภพต่างๆหมุนไปในภพน้อยภพใหญ่เนาะถ้าเป็นกุศลแล้วก็เป็นอวิชชาตันหากรรมแวดล้อมกุศลกรรมของสัตว์ทั้งหลายที่ได้ผลของผลกรรมของสัตว์ทั้งหลายนั้นก็จะผลิตวิบากที่เป็นผลของกุศ ล, ลกรรมเนาะให้รูปเวรนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นต้น แต่ถ้าหากว่ากรรมตัวนั้นเป็นอกุศลกรรมเนะืตัณหาวิชาก็จะมาเข้าปิดบังแล้วก็แวดล้อมเหมือนเดิมแล้วก็จะผลิตอะไรผลิตอกุศลวิบากอากุศลวิบากก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดจากอากุศลกรรมที่เราเห็ น, เ ห, นเห็นกันอยู่เนี่ยขันของพวกอบัยสัตว์พวกสัาาตว์ดิบชั้นทั้งหลายที่เราเห็นกันด้วยตาเนื้อนี่แหละเออมาพิจารณาอย่างนี้โอ้โหสังสารวัฏน่ากลัวเนาะใช่ไหม น่ากลัวเนอเป็นอบายสัตว์ก็ได้เป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็ได้แลมาจากกุศลกรรมมาจากอกุศลกรรมไม่ว่าจะเป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมที่เป็นปัจจัยและเป็นปัจจัยในอดีตนี่นะก็มีตัณหามีอวิชชาคอยแวดล้อมโอ้โหพิจารณาอย่างนี้เห็นหรืยังนี่เขาเรียกเห็นโดยปัจจัยการเห็นโดยปัจจัยนี้เพื่อจะละอเหิทธกติธิเพื่อจะละนัตถิกทิฐิเพื่อจะละอกิริยทิฐิ เพื่อจะได้เห็นว่าอ๋กรรมมีผลนะกรรมมีผลนะกรรมดีกรรมดําให้ผลดํากรรมชัว่วให้วิบากชั่นเนี่นะกรรมขาวกับกรรมดากรรมขาวอ่ะเออถ้ากรรมไม่ดําไม่ขาวให้วิบากไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเออจะเจริญมรรคกรรมยังไงก็มาเจริญสติปัฏฐานเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะเออที่เราเจริญพุทธคุณเป็นต้นนี่เรากําลังเจริญมรรคกรรมนะ อ, อกรรมที่จะเป็นปัจจัยในการสิ้นกยกรรมแล้วก็โอ้โนี่เราเดินถูกตามทางธรรมพระธรรมคําสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศ า, ศาแล้วคิดงี้เป็นไหมนี่จะคิดในลักษณะนี้เขาเรียกว่าเริ่มจะเข้าล่องเข้าลอยในพระศาสน า, าแล้วนี่เป็นไปลักษณะแบบนี้นะก็พิจารณาเป็นไปตามพระธรรมคําสอนอย่างนี้นี่เขาเรียกว่าเดินถูกทางใช่ไหมเดินมาจากพุทธคุณนะเชื่อมโยงหาในการที่จะ ดึงเพระธรรมคาสอนของพระเจ้ามาวิจัยเข้าสู่วิปัสนาเลยมีปัญญาที่ไปเข้าไปรู้ไปเห็นตามความเป็นจริงใช่ไหม เ, เขาเขียนโดยโดยแบบนี้ก่อนเขาเห็นโดยแบบนี้ก่อนนะไม่ใช่ยืยๆแล้วเห็นเกิดดับแลยยุ่งเนี่ยต้องระวังในนี้ไงนะยังไม่ทันอะไรเลยจะเกิดดับกันอยู่เรื่อยเลยเนี่ยต้องต้องเรยรู้ว่าปัจจัยเขาคืออะไรก่อนอย่าไปบึ้งคามขั้นตอนก่อนะต่อไปก็ขึ้นสัมมาสัมพุโทโธนะ อ่ะดูสัมมาสัมพุโทโตกันเออในบทคําว่าสัมมาสัมพุทธโหนะคํานี้ก็แปลว่าตัศสูรอ่ะตัสรูสร้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองเดี๋ยวขอดูอาจาัจฉริยของคัมภี์วิสุธิมัตนิดอ๋อนี่ตรงนี้ดูทั้งอาจาัจฉริยะดูทั้งคัมภีร์ดีกาเนะี่ยดูอาจาัจฉริยะดูดีกาด้วย ในคําว่าสัมมาสัมพุทธโธเนี่ยเป็นคําอธิบายเพื่อให้เข้าใจพุทธคุณในบทที่สองในบทที่สองเพราะว่าพราะผู้ภาสรงพระนามว่าสัมมาสัมพุทธโธเพราะเป็นเหตุที่เป็นผู้ตัดสืบธรัพ ท, ทั้งหลายโดยชอบด้วยแล้วก็ด้วยพระองค์เองนะเป็นความจริงอย่างนั้นว่าพราะบรมศาสตาเนี่ยตัดสืบธรัพ ท, ทั้งหลายโดยชอบ แล้วก็ด้วยพระองค์เองการตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่รู้ได้ด้วยปัญญาอยิ่งด้วยความเป็นธรรมอันควรรู้ยิ่งด้วยปัญญาอยิ่งเนี่ยตก็ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายที่ควรกําหนดรู้โดยความเป็นธรรมที่ควรกําหนดรู้ก็คือว่าตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งด้วยด้วยธรรมอันควรรู้ยิ่งด้วยปัญญานะแล้วตรัสรู้ธรรมที่ควรกาหนดรู้ก็คือตรัสรู้ธรรมอันควรกําหนดรู้ตรัสรู้ธรรมทั้งหลายอันควรละก็โดยความธรรม โดยโดยความเป็นธรรมอันควรละตัดสรู้ทำทั้งหลายโดยการทําให้แจ้งก็โดยความเป็นธรรมมันทําให้แจ้งแล้วตัดสรู้ทำทั้งหลายอันควรเจริญก็โดยความเจริญนี่นะพระเจ้าตรัสบอกว่าสิ่งที่ควรรู้โดยปัญญาณยิ่งเราก็ได้รู้แล้วด้วยปัญญาณยิ่งสิ่งที่ควรละเราก็ได้ละแล้วสิ่งที่ควรทําให้แจ้งเราก็ได้ทําให้แจ้งแล้วสิ่งที่ควรเจริญเราก็ควรให้เจริญแล้วดูก่อนพรามเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นผู้ตัดสรู้ ตรงนี้ถ้าไปดูในเออพระวินัยปีดกในเวรัญช ก, กันนะในสมันตะภาษาธิกาอัตกาถาก็ได้ในดีกาก็ได้ในที่นี้เอาดีกามาขยายด้วยบางครั้งก็มีที่ที่จะตามดูเยอะนะพุทธคุณนะดูในวิสุทธิมรักทั้งอัตกาถาและดีกาก็มีแล้วก็ดูในชินาลังการะก็มีนะ มีอธิบายไว้เยอะตรงนี้ก็จะอธิบายเชื่อมโยงกันก็ได้แต่อย่าเพิ่งไปเชื่อมโยงมากนะเอาทีละจุดทีละชุดแล้วเชื่อมโยงไปเชื่อมโยงมาก็ทั้งผู้พูดทั้ทงผู้ฟังเนี่ยเนีะเดี๋ยวอารมณ์มันกระโดดเพราะสำนวนของท่านต่างกันเนี่ยเนี่ะคำว่าอารมณ์กระโดดในที่นั้นหมายความว่าจิตของเราก็จะเอ๊ะสะสายไปมุมนั้นบ้างสะสายไปมุมนี้บ้างเลยได้ความไพเราะในการพารณาแต่ไม่ได้คุณ <c oughs> ในตรงเนี้ย ได้อาจได้ได้ได้เกี่ยวในเรื่องเขาโอ้ยท่านพันธนาได้ไพเราะเหลือเกินเนี่ยนะท่านใช้ภาษาที่เหมาะอย่างเช่นไอนมาจะค่อนข้างชอบใจคมภีที่นาลังการ่าเนี่ยภาษาที่ท่านใช้สลัสลวยมากนี่นะฟังแล้วอูนเพราะเนี่นะเอยไปไ ป, ไปมาเลยอติดภาษาเลยไม่ได้ติดคุณของพระเจ้าเนี่ยเชื่อไม่ถึงตรงนี้คือว่าคําว่าสัมมาสามัญจานี่นะสัมมาสัมสามัญจานี่สัมมาก็แปลว่าไม่วิปริต นะคําว่าสัมมาในความว่าไม่วิปริตสามังก็แปลว่าเองหรือนั่นเองเนะเป็นผู้ไม่ถูกคนอื่นเนี่ยนำนะคำว่าสังสับในบทว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยบัณฑิตเพิ่งเห็นว่าเป็นสับที่ทำให้เข้าใจความหมายดังนี้ว่าสายังก็แปลว่าเองเนะคําว่าทําทั้งปวงก็ได้แก่อะไรอะไรคือทําทั้งปวงย่าๆทำนั่นแหละคือทําทั้งปวงสังขารลัคนานิพานบัญญัตนินสังขารวิการลักนณนิพานบัญญัติ สังขาร น, นั้นด้แก่ขันห้าใช่ไหมหรือหรือพูดกันให้อีกทีก็คือว่าสังขารในที่นั้นก็ต้องบอกโลกีญาจิตแปดสิบเอดเจ็ดสิบห้าสบสองเป็นสังขาร น, นะแล้วก็อะไรอีกอะนิพพันธ์รูปสิบแปดเช่นนี้ชัดต้องแค่นิพพันรูปสิบแปดนะใช่ไหมสังขารอาวิการก็คือวิการใรูปสามลักษณะก็คือลักษณะรูปสี่ แล้วก็นิพานนิพานก็คือสภาวะที่สงบจากรูปนามกันหน้าแล้วบัญญัติทั้งหมดเลยทั้งอัฏฐบัญญัติทั้งสัท ธ, ธบัญญัตินี่คือเยยะธรรมพุทธเจ้าตัดสูหมดฉะนั้นคําว่าธรรมทั้งปวงเหล่านี้ที่เป็นเยยธรรมนั้นพุทธเจ้าตัดสูโดยไม่มีส่วนเหลือเลยเหลือนิดเดียวก็ไม่มีเออไม่มีธรรมไม่มีบัญญัติชนิดไหนที่พุทธเจ้าไม่รู้ อาทำไมพระเจ้าต้องรู้บัญญัติทุกอย่างนะเหตุผลก็คือว่าถ้าไม่รู้บัญญัติทุกอย่างแล้วเนี่ยเพราะสัตว์โลกนั้นมีบัญญัติกันหลากหลายติดบัญญัติกันหลากหลายมากให้พระธเจ้าสามารถแคะแกะบัญญัติเหล่านั้นให้สัตว์โลกติดเออออกมาจากการเข้าใจผิดในบัญญัติได้นี่เป็นอย่างไงนนะนะฉะนั้นพระเจ้าจึงจําเป็นต้องเป็นสัมมาสาัมพุทโธ ถ้าไม่เป็นสมมาสมมุทตโธนะนะั้นน่ะไม่สามารถที่จะรู้บัญญัติทุกประการเมื่อไม่รู้บัญญัติทุกประการก็แสดงทำให้วิจิต ต, ตามบัญญัตินั้นๆไม่ได้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยเนาะพระพุทธเจ้าของเราแท่นทั้งหลายเนะี่ยเป็นบุคคลที่หน้าเคารพจริงๆเนะี่ยทุกส่วนทุกจุดนะนะั้นน่ะหน้าเคารพหมดเลยนะยังไม่มีใครสมบูรณ์เท่าพระพุทธเจ้าเลยเนะ่เนี่ยเ ท, ท่าที่ดูมาเนี่ยนะไม่มีนอกจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีใครตรงเนี้ย ถ้ายิ่งศึกษายิ่งขัดเกลายิงครคร่งไข้ควรยิ่งพิจารณาไปยิ่งเห็นคนของพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นนะเออเป็นอย่างนั้นจริงๆคนของพระเจ้าเนี่ยอยู่ที่การไข้ควรอยู่ที่การศึกษาอยู่ที่การพิจารณายิง่งยิ่งฟังมากเข้าใจมากแล้วสา ม, มารถที่จะหยิบเอามาใไข้ ค, รครวรได้มากเท่าไหร่เนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะถามว่าสัมมาสัมพุทโธจะได้ความที่ต่างกัน บ, บอกไว้อปว่าทำทั้งปวงได้อย่างไรบอกว่าได้ตอบนะ เพราะมิได้ถือเอาแต่แต่ส่วนเดียวนะเมื่อไม่มีการถือเอาบางส่วนก็ย่อมได้เข้าถึงสภาวะเนาะหรือถึงภาวะที่สิ่งอันจะพึงถือเอาได้โดยไม่มีส่วนเหลือทีนี้ถ้าหากบอกว่าสัมมาสามัญจพุทธทตาสัมมาสัมพุทธโทธที่แปลว่าชื่อว่าสัมมาสัมพุทธ h เพราะความที่เป็นผู้ตัดสรุรโดยชอบและด้วยพระองค์เองเพียงเท่านี้เท่านั้นย่อมจะได้โดยสร้างศัพท์ในที่นี้แต่คาว่า สัพพะธรรมมานังแปลว่าธรรมทั้งปวงนี่แปลว่าตัดสู้ธรรมโดยไม่มีส่วนเหลือเนาะถือเอาคําที่จะได้โดยเนื้อความเพราะกิริยาคือการตัดสู้เนี่ยไม่มีอารมณ์นาะย่อมไม่ควรหรอกย่อมไม่ควรท่านอาจารย์เนี่ยหมายถึงท่านพระพุทธโฆษาเป็นต้นเหล่านี้นะประสงค์จะแสดงจําแนกอารมณ์กิริยาการตัดสู้ซึ่งท่านกล่าวไว้โดยความเสมอกันว่าธรรมทั้งปวงจึงกล่าวว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่ง แปลว่าพุทธเจ้าตัดสรูธ้ธรรมทั้งบวงในคำว่าธรรมที่ควรรู้ยิ่งเนี่ยได้บรรดาคําเหล่านั้นธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้แก่อะไรอริยสัจสี่คือทุกสมุทัยที่โลด ม, มลันก็ไล่ไปตินี้อริยสัจสีคืออะไรขันห้างไงใช่ไหมรูปเว ท, าทนาสัญญาสังขารวิญญาณไงอรยสัจสิบสองไงใช่ไหมตาก็เป็นอริยสัจไหมรูปอารมหูสัทธารมณ์จมูก ทันทารมบริ้นราสารมเนี่ยนะกายผดทพารมใจแล้วก็ทำมารมณสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือทำทั้งพวงอะใช่ไหมเนี่ยทำทั้งพวงก็ไล่ไปท่าสิบปดก็ได้จักขูใบตาเนี่ยนะแล้วก็รูปารมเนี่ยนะแล้วก็จักขู ญ, ญาณไล่ไปดีไล่ไปเรื่อยๆไล่ไ ล, ลไปจนถึงใจนะแล้วก็มนโนญญาณก็ทำมารมณเนี่ยถ้าพิจารณางี้จะเห็นเลย จะเห็นโอจะว่าเป็นขันห้ายะ ต, ะาาต่นาทัดก็คือพระิยาตัดสรุปหมดเลยในะอริยสัจเนี่ยคือสรุปก็คือว่าตัดสรุโลกทั้งโลกภายในและภายนอกโลกที่เป็นขันก็ได้ใช่ไหมโลกที่เป็นสัตว์ก็ได้โลกที่เป็นภาชนะโลกก็ได้ที่เป็นพื้นโลกทั้งหลายเนี่ยนั่นคือธรรมทั้งปวงหมดเลย และที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่านี่โลธาสัจจะกค็คื อ, คอธรรมที่ไม่ใช่โลกไม่อยู่ในโลกสามนี่ตัศลุอย่างนี้นั้นพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าโอ้โหนี่ตัสรุเลยศัตรูร้โดยปัญญาอันวิเศษในธรรมที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเนีไม่งามนี่นะและโดยข้อเบ็ดเล็ดมีลักษณะและรสเป็นต้นหมายความว่าตัสรุสองส่วนเลยตัศลุในส่วนของสามมัญญลักษณะและปัจจตาลักษณะ คือตัดส้ในลักษณะที่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นหน้าตาไม่งามก็ตัดส้เข้าใจแล้วรอบรู้หมดสิ้นเลยนะและยังไปตัดส้ลักษณะเฉพาะตัวอีกด้วยว่าเช่นลักษณะของภาษาเป็นยังไงกิจของภาษาเป็นยังไงผลของภาษาเป็นยังไงอาการปรากฏของภาษาเป็นยังไงเหตุใกล้ของภาษาเป็นยังไงรู้หมดเลยโวไม่ธรรมดานะเวทนาสัญญาสังขารไลไปสีสภ า, าวธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยรู้ลักษณะรู้ กิรู้ผลปรากฏรู้เหตุใกล้ของสิ่งนั้นหมดเหตุใกล้ก็รู้เหตุใกล้ก็รู้ไม่ใช่รู้แต่เหตุเหตุใกล้อย่างเดียวนะเหตุไกลก็รู้ด้วยทำที่เป็นปฏิบัติก็รู้เออเอาสิและทำที่เป็นปฏิบักษใกล้ชิดก็รู้ทำที่เป็นปฏิบัติ์ห่างไกลก็ทราบและเหตุแห่งการละทำเหล่านั้นก็รู้นะเหตุแห่งการพอกพูนทำเหล่านั้นให้เกิดขึ้นก็ทราบรู้อย่างเงี้ยนี่คือพระเจ้ารู้ อย่างสาวกของท่านที่พูดพูดอยู่นี่เพราะศึกษาท่านจึงรู้เข้าใจนะเนี่ยเพราะศึกษาคำสอนของท่านยังรู้ทำไมศึกษาคำสอนท่านหมดสิทธิ์รู้เลยจะรู้ได้ยังไงป่านนี้จะมาก็เลี้ยงงัวเลี้ยงควายแถวแถวบ้านนอกสงสลูกสาม <c oughs> ลูกสามลูกสี่ป่ันนี้ป <c oughs> ่านนี้จะมามเสียหายเลย <c oughs> กลับบ้านช่างก็ดาว ใช่หเพราะใหม่ๆกขนคิว่าเขาจะพูดไม่เก่งเพราะนัารักเขาพูดเก่งเนี่ยลาบากบุญเหลือเกินจะไมรู้จะรอดไปได้ไหนไปอีกพบอีกนึงนะไปพบหน้าพลาดอีกอะไรยะไรแย่หมดเคยพลาดมาหลายครั้งแล้วหน้าขวงยิงสงสารวัดนี้ตอนนี้ก็เริ่มสบายแล้ว พ่ามีแต่โกเตทบไปหมดติดป้ายประกาศยังมีใครมาหลับติดป้ายประกาศเขบอกบอกคนจะสมบัติกาแฟก็บอกว่าไม่ไหวแล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะไม่ลำบากเกินก็สบายเลยถึสมใจ อ, อยากนี่นะคือบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้ทั้งธรรมที่ไม่เที่ยงปเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็โดยขอ้อเบญะเล เออจัดว่าเป็นเบะนะ็ดเตล็ดนะเป็ดจตวลักษณะเนี่ยปียกย่อยเป็นเบ็ดเตล็ดของรูปของเวทนาของสัญญาสังขารวิญญาณนะนั่นเป็นข้อเบ็ดเตล็ดนะเราพุทธเจ้าตัดตัวรู้หมดเลยถามแล้วเราเรารู้บ้างไหมเนี่ยอรู้อย่างเวทนาไม่เที่ยงใช่ไหมเป็นทุกเป็นหน้าตาแ ล, ล้วรู้ไหมเวทนาไม่งามเป็นยังไงอ่ะเริ่มคิดหนักเลยเนี่เวทนาไม่งามเป็นยังไงอ่ะรู้ไหมใครใครช่วยอธิบายเวทนาว่าไม่งามเป็นยังไงอ่ะเอาโยมพีอธิบายให้อาจารย์ฟังหน่อยที เวทนาไม่งามเลยเอางี้เอางี้นะว่าเวลาโตเวลาเวลายื่อเมล็ดเกิดโทมานะสเวทนาอย่างแรงงามไหมไม่งามเนอะงั้นโสมนัสก็ไม่งามแบบนั้นแหละ<笑><笑>นะมันไม่งามหรอกนะแต่อย่างเราเนี่ยมองผ่านมองผ่านตัวเวทนาไม่ชัดก็เลยมองผ่านรูปไป เวลาคนเกิดโทมานัสเวทนาคนที่โกรธจัดจัดเนี่ยเอาวางผู้หญิงวงคนโกรธจัดจัดตายแทบถลนออกมานอกเบ้าแล้วก็ตะโกนด่าสุดเสียงอ่นะไม่น่าดูเลยนะนั่นะนะเออขาไม่งามจริงๆนะนเนาะโทมานัสเวทานาไม่งามโสมนัตก็ไม่งามเวลาหัวเราะสุดเสียงก็ไม่ไม่งามมึงถึงบอกนั่นแหละคือคือความไม่งามเนี่ยการหัวเราะคือการร้องไห้ในพระธรรมวินัยกองพระรยาเจ้าท่านโอ้หน้าคิดเงินเออเงี้ยเนี นั่นคือความไม่งามนั่นเองนี่เราไปเห็นเราเห็นเวทนาสวยงามมานานแล้วเราถึงปรารถนาไงปรารถนาเวทนาขันถ้าเราเห็นเป็นขอไม่งามแบบนี้เราจะปรารถนาเวทนาขันทำไมเวทนาขันที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเรวปลาดีไกลใกล้เอาที่เวทนาในอนาคตเป็นเวทนาของเทวดาก็ไม่งามเวทนาของพรหมก็ไม่งามของอรูปพรหมยังไม่งามเลย เวทนาทุกเวทนาไม่งามเลยเนาะแต่ดับเวทนาได้อย่างถาวรเนนะี่ยเป็นความงามเป็นความสดใสเป็นความสงบเป็นความเป็นความสุขด้วยนะเราวิปลิตมานานแล้วสัตว์โลกวิปลิตมานานแล้วเห็นเวทนาเป็นของสวยงามแล้ก็ชอบอยู่กับเวทนากันอยู่นี่แหละนะชอบเลี้ยงที่สุดก็คือสุกเวทนาใช่ไหมใช่ถ้าดูอะไรเพลินๆชอบไหมอชอบไหมชอบสอมัะสเวทนาไหมแล้วเวทนาเที่ยงไหมเนะี่ย ไม่เที่ยงก็ชอบชอบให้เวทนาหลอกเล่นไปวันวันใช่ไม่ใช่ก็ไปนะแต่ก็ดูมีความสุขเนาะบางทีต้องการจะได้สุขเวทนาทางตาเลยใช้เวลาเดินทางหลายสิบกิโลเนะี่ยใช่ไหมเคยไหมล่ะได้ข่าวเยอะเงี้ยพีบไปเดินดูหิงห้อยมาแล้วใช่ไหมเนี่ยเลยเนี่ยไปดูไปดูแลเห็นทกข์กษัตริย์ไหมโทกขษัตริย์สวยยังใช่ไหมยงงี้เป็นต้นเห็นไหมเนี่ยเวทนาไม่งาม สัตว์โลกเข้าใจว่า ง, งามเนาะในการเป็นส่วนเบื้องต้นให้รู้ด้วยวิปัสสนาปัญญาเป็นต้นในขณะที่ทรงบรรลุก็รู้ได้ด้วยมรรคปัญญาเนาะถ้าส่วนเบื้องต้นเนี่ยพระองค์รู้อ น, นิจจังทุกขังหน้าตาและความไม่งามแล้วก็เบตดเล็ดคือปัจจาลักษณะเนี่ยนะท่านใช้คําว่าเบรเร็ดเล็ดพระเดียธรรมาไม่ได้เติร์จดูบาลีตรงนี้ยจริงๆต้องปัจจาลักษณะนะมาเขียนสำทับไว้เลยคือปัจจาลักษณะไม่ใช้คําว่าเบ็ดเล็ดบาลีไม่น่าจะใช้คำว่าคํานี้ น่าจะใช้คำว่าปัจจะตะลรกคนาังมากกว่านะเพราะจะต้องคู่กับคำว่าสายามลักษณะเนี่ ย, ยตรงนี้เนี่ยพอดีเดี๋ยวมีเวลาจ ด, ดูดูบาลีมาดูหน่อยพอดีมีคนรู้บาลียมสุรีรู้บาลีได้ทำถามมึง <c oughs> <c oughs> ดีมีลูกศิษย์ลูกหาก็รู้บาลีมากกว่าครูอาจารย์นะสบายหลายเรื่อง ตัสรู้ด้วยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งได้แก่การตัศรู้สภาวะที่เป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่งนะในการเป็นส่วนเบื้องต้นก็ได้รู้โดวยวิปัสนาปัญญานะส่วนเบื้องต้นเนี่ยนะในขณะที่บรรลุก็รู้ได้ในขณะหฮงมัคคปัญญาถ้าการในส่วนเบื้องหลังก็รู้ได้ด้วยญาณทั้งหลายถามว่าตอนหลังจระพุทธเจ้าวิปัสนาได้แล้วใช่ไหมวิปัสนาที่เป็นเป็นปัจจัยแก่อรารัฐมัค หรือแก่โสดามากสกาาัดทาค า, า, า, าร์มากนาคาร์มากอรัตธรรมากนี่พระองค์ได้หมดแล้วนพิปัตินาญาันพวกนี้เนาะต่อมาก็ผลเกิดเวละผลเกิดต่อมาก็คือมหากริยาแล้วท่านจะไปรู้ไหมอ้าวปัญญาที่เกิดขึ้นหลังมากหลังผลเนี่ยนะหลังหลังมากหลังผลเนี่ยปัญญาที่เกิดขึ้นในมหากริยาที่เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยเป็นต้นเนี่ยสามารถไปรู้อ น, นิจจังทุกครั้งตาได้ไหมได้ไม่ไดไ้รู้อย่างเข้าใจไหม นะรู้อย่างเข้าใจนะไม่ใช่ไม่เข้าใจตรงนั้นนั่นแหละที่ต้องการชี้เห็นบอกว่าความรู้หลังจากการได้ตรัสรู้แล้วเนี่ยโอ้โหเนะียปัญญาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญุตญาณานา น, านาวรตนญาณอินทรียะประโรปริยติญาณเป็นต้นนะพุทธญาณ14เวนิคธรรม18อาศัตรราานาญาณ6นะแล้วก็เวสารัชญาณ4เป็นต้นเหล่านี้นะทศพลายานสนะิเนี่ยปัญญาเหล่านี้สามารถไปไข่ควรสิ่งเหล่านี้ได้ตามฐานะของปัญญานั้นนั้นตามฐานะเพราะไม่เท่ากัน แต่ทะลุสูงสุดเลยก็คือสัพพญุตยานกับอนาวรณญาณฉนั้นเขาสามารถไปเห็นทั้งสามั ญ, ญลักษณะทั้งปัจจาลักษณะเนะี่ยเห็นแบบชัดแจ้งและเข้าใจอย่างท่องแท้ไม่ใช่เห็นได้อย่างเดียวเข้าใจอย่างเดียวเนะี่อธิบายชัดเลยและสามารถทะลุทะลวงบัญยัติทั้งหมดหยิบบรรยัตมาบอกสัตว์โลกให้เข้าใจตัดสู้ตามได้ถ้าสัตว์โลกประเภทไหนจะตัดสู้ด้วยด้วยปรมาทนะพระ อ, องค์ก็หยิบปรมาทมาบอกเลย ว่าในสภ า, าว่าปรมาสตร์นี่เป็นอย่างนี้แตกดับอย่างนี้เป็นหน้าตาอย่างนี้นะบอกเข้าใจเลยนี่เนอะถ้าสัตว์โลกบางพวกนี้ต้องการจะตัดสรุปเพราะบัญญัติพระองค์ก็หยิบบัญญัตินั้นแหละให้หมอกแก่อัธยาัยของสัตว์นั้นตัดสรุปตามเลยเข้าใจใช่ไหมตรงเนี้ยตอนนี้ถ้าต้องการอยากต้องการความวิจิตพิสดารอย่างนั้นศึกษาพระไตรปิฎกใช่ไหมพอศึกษาพระไตรปิฎกไปต่อไปโอ้แล้วก็ได้ความวิจิตในตรงนั้นแล้วก็ได้ตัดสรุปตามพระธรรมคำสอนของพระเจ้าถ้าร้อยพระเจ้ามาเทศตอนนี้พระเจ้าหยุดเทศ แต่ตอนนี้กําลังประกาศพระธรรมอยู่ในพระใจวีโกรณ์นะเราต้องไปหยิบต้องช่วยกันต้องช่วยกันหยิบอ่านแล้วก็ฟังท่านผู้รู้ทั้งหลายสาธยาพระธรรมไปมีโอกาสตัดสู้ตามท่านได้นี่นะเป็นอย่างนั้นแหละหรือตั้งอัธยาศัยไปเลยถ้าปรารถนาเสียงจริงของจริงแรงดังเนี่ยเนอะนู่นเลยอีกหนึ่งอันตรกับไปพบพระษียาเมตยัยนั่งต่อหน้าพระพักท่านฟังธรรมจากท่านจะให้ท่านพยากรณ์ต่อก็ได้ถ้าปรารถนาเลยขอพยากรณ์หน่อยเถิะ ใช่ไหมถ้าท่านไม่เห็นก็พยายามเหลียวซ้ายเลีวขวาตั้งอัตยาสายไว้เยอะๆเดี๋ยวท่านก็พยากรณ์ต่อแต่ให้พยากรณ์เป็นทางดีนะอย่างพระเทวทัตผู้เจ้าพยากรณ์นะนี่สัตว์อบายว่างั้นสัตว์อบายเลยยุ่งเลยใช่ไหมให้ให้พบพระยาองค์ต่อไปพยากรณ์ในสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เป็นปัจจัยการตัดสู้นี่เป็นทั้นสัมมาสัมพุท ธ, ธาก็ไปกระจายต่อไ้รายละเอียดในการตึกเยอะมากสัมมาสัมพุทธานี่ตึกจนตัดสู้ได้ เอาวันนี้สมควรเก็บเวลานะอนุโมทนาในบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายตั้งใจกันแต่ต่อไปก็ได้ตั้งใจในการที่จะแผ่เมตตาแล้วก็ได้อุทิศ ส, ส่วนกุศลตามอริยประเพณีที่พระพุทธเจ้าวางหลักไว้ว่าเออฟังธทำส่วนนาธรรมเป็นบุญใหญ่เป็นมหากุศลบุญอันนี้บอกว่าอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้กับสัตว์ประสาททั้งหลายเมื่อสัตว์ประสาททั้งหลายได้ฟังแล้วก็จะเกิดความสุขนะจากการได้ฟังพระธรรม แล้วก็ได้อนุโมทนาเมื่อมุโมทนาบุญกุศลนีแล้วก็คือว่าทำกิจสำเร็จแล้วนะนี่เป็นการเจริญนี่เขาเรียกว่าเจริญเจริญกุศล